ราวนนานกว่าจะได้ประชุมร่วมหนึ่งเดือนพอดีนี่แะความมีการมีงานยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดถึงความไม่สะดวกสบายในธาตุในขันผลทำให้ขาดสาระสำคัญ คือการประกอบความภาคเพียรและการได้ยินได้ฟังอักธ ร, รมที่จะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นและผ่องใสแต่ก็ทำให้ขาดไปเพราะขาดทมที่กล่าวเหล่านี้เราผู้เป็นหัวหน้ามีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้า ที่จะให้หมู่เพื่อนได้ประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจอันเป็นตัวเหตุสำคัญให้มีความสงบเย็นภายในตัวและมีความฉลาดรอบความคิดความปรุงความเคลื่อนไหวของตัว <c oughs> มากยิ่งกว่าที่จะเห็นสิ่ง อ, อื่นๆซึ่งมักจะเป็นค่าสิท ของภาคปฏิบัติอยู่เสมอมาเมื่อสามสี่วันนี้ก็ได้เทศเกี่ยวกับมาค้าบูชาที่เป็นผลของาศาสนธรรมซึ่งท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงกับได้ผลเป็นที่พอใจได้มาเฝ้าหรือแสดงตนให้โลกแห่งชาพุทธทั้งหลายได้เห็นได้ยินในวันมาฆบูชานั้นโดยมีพระอรหรันต์ล้วน 1,250 องค์มาประชุมในวันนั้นคือวันเดือนสมเพนเวลาบ่ายโดยที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับสั่งแต่ประการใดหรือเรียกว่าไม่ได้นิมนมต์มาแต่ท่านเหล่านั้นมาตามอัธยาศัยของตน พื่อว่ามาประกาศผลแห่งการประพฤติปฏิบัติและประกาศความวเลิ่ลือแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าให้โลกได้เห็นในเวลาเช่นนั้นซึ่งมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏ ว, ว่ามีซ้ำซ้ำซากซา ก, กอีกเลยผลที่ท่านได้มาแสดงให้โลกเห็นเช่นนั้นท่านได้มาจาก อะไรในหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศสอนไว้แล้วอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรากเง่าเข้ามูลจริงๆคือการปฏิบัติจิตตภาวนาล้วนนถือเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายกับความเพียนเพื่อชำระกิเลสนั้นจริงๆ ผลจึงปรากฏให้โลกได้เห็นเฉพาะในวันนั้นมีพระอรหันต์หนองรองค์โดยไม่มีพระปุุธชนเข้ามาเจือผลแม้เพียงรูปหนึ่งหรือองค์หนึ่งเลยนี่ล้วนแล้วแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติยิตะภาวนาของท่านนี่แหละคือผลแห่งการปฏิบัติธรรม หรือการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่ประธานไว้มีผลประจับให้เป็นที่ภูมิใจสำหรับผู้ได้รู้ได้เห็นผู้ที่ได้ทรงไว้ซึ่งทำดังกล่าวนั้นจนถึงวิสุทธิธรรมเราจึงอยากพบอยากเห็น การประกอบความภาคเพียรของหมู่คณะที่มาอาศัยอยู่ในสถานที่นี้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความสนใจจริงๆไม่มีงานอื่นงานใดเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งงานเหล่านี้ส่วนมากมักจะเป็นสิ่งที่มาทำลายความภาคเพียรของเราให้เสียไปวันละเล็กวันน้อย สุดท้ายก็มีแต่งานเหล่านี้ออกหน้าออกตาในพระเนรูปหนึ่งหนึ่งในวัดหนึ่งหนึ่งเลยเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันนอกจากสายทางที่จะเป็นไปเพื่อความสงบสง่างามของจิตใจเลยมีตั้งแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมด คิดออกมาในแง่ใดก็มีแต่การแต่งงานซึ่งเป็นเรื่องของโลกเขาทำกันอยู่ทั่วๆไปไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกประาดอันใดเลยแต่แล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้ามาเป็นเนื้อเป็นหนังในวงพระศัสนาเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในวัดในวานในพระเนผู้ปฏิบัติของเราจนได้นั่นแหละงานอันนี้รู้สึกว่าออกหน้าออกตาจริงๆ เหมือนว่าแซงพระโอวารคำสั่งสอนของพระเจ้าไปทุกระยะที่ทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญทางด้านจิตตะภาวนาในตำรับตำลามีมากต่อมากเด่นที่สุดก็คือด้านจิตตะภาวนาที่พระองค์ท่านประธานพระโอวาสแก่พระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลการจดจาลึกก็จดจจลึกมาจาก ความเป็นจริงที่พระองค์ทรงดำเนินและประกาศสอนไว้เรื่อยมาจนกระทั่งวันปาริยปานพระอาวาทเหล่านั้นถูกจดจารึกมาได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังจดจำมาเรื่อยๆจนมาั่งปัจจุบนันนี้แต่ไม่ค่อยจะถึงใจและไม่ถึงใจของผู้ศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลาย จึงทะเลทลายไปนอกลู่นอกทางที่พระองค์ท่านตาหนิติดเตียนอยู่เสมอพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านมาจากสถานที่เช่นไหลที่กล่าวมาว่าพัน0องห้าสบองค์นั้นท่านอยู่ในที่เช่นไหลตามตำหรับตำลา มีตั้งแต่อยู่ในป่าในเขาที่สงัดพิเวกปิยาบทต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรชำนากที่เลยจนกระทั่งถึงเลกรับผลเป็นที่พอใจมานี่เป็นทางที่ถูกต้องหลีงามถึงกับได้ผลประกาศออกมาให้โลกเห็นในวันมาฆบูชา นอกจากนั้นก็ยังมีอยู่มากมายบรรดาพระสงฆ์สาวกึ่งวันแล้วแต่เป็นผู้ประกอบทางด้านจิตตะภาวนามากกว่าในงานใดๆทั้งสิ้นเราผู้ปฏิบัติถ้าไม่คำหนึ่งและดำเนินตามทางที่พระองค์ประกาศสอนไว้แล้วนี้ก็ยากที่จะได้ประสบพบเห็นแม้ที่สุดความสงบเย็นใจเพียงขั้นสมาธิ ก็จะได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นจะไม่ปรากฏความจริงขึ้นที่ใจนั่นเลยแล้วก็ค่อยหมดไปหมดไปเดียวแหลมไปโดยลำดับทางภาคปฏิบัติคือความสนใจต่อทิตตะภาวนาจะมีแต่เรื่อง ที่เป็นค่าสืบต่อกันโดยทางอ้อมหรือทางตรงแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของพระของเนรของบัตวะวาตไปเสียอย่างประจั์ตาของเราทุกคนปฏิเสธไม่ได้ เช่นการก่อสร้างการควงขวายในแง่ต่างๆอันเกี่ยวกับด้านวัตถุซึ่งขัดกันกับทางด้านจิตตภาวนานี่ปรากฏว่าเด่นมากทีเดียวถ้าเราจะพูดในวงปฏิบัติสำหรับผู้สังเกตจอดรู้จิตจริงๆแล้วเราจะเห็นความขักดันของจิเลศ ที่ไม่ชอบให้เราประกอบความภาคเพียรเพื่อกำจัดมันมันจริงต้องผลักดันให้ออกให้คิดในแง่ต่างๆสิ่ง น, นั้นดีสิ่งนี้ดีโดยอาศัยศาสนาว่าสัมมากัมมันตะว่าเป็นการงานชอบนั้นเป็นลูมาบางหน้าแล้วผลักใสเราให้ออกนอกรูกนอกทางไปโดยการกระทําในสิ่งที่กล่าวเหล่านี้ ยางเปิดเผยและไม่คิดสะดุดใจบ้างเลยอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกาจัดกิเลสภายนจิตใจจริงๆแล้วสิ่งที่กิเลสมันผลักดันออกมาให้ออกนอกลู่นอกทางแห่งความเพียรเพื่อชาระมันนี่เราจะเรียกอะไรท้าไม่เรียกว่ามาร ของความเพียรเราไม่ต้องว่ามานกว้างๆที่ไหนแล้วมานแห่งความภาคเพียรเพื่อชำระจิด่ดคือจิตนั้นงานนี้ทะเลถลไลออกไปพอจะหันหน้าหรือย้อนกระแสจิตเข้ามาสู่ตัวเหตุอันสำคัญคือใจที่เต็มไปได้วยความคิดปรุงในแง่ต่างๆซึ่งถูกผัก ดันออกมาจากกิเลสนั้นมันดิ้นดนกวนกวายเหมือนจะเป็นจะตายนั่งภาวนาก็คอยนับแต่เวลาเวลาคอยสังเกตดูทั้งแต่ความจะเจ็บปวดแสบร้อนที่ตรงไหนคอยที่จะออกนอกรูนอกทางอยู่ตลอดเวลานั่นนักสังเกตนักปฏิบัติ ด, ด้วยความมีสติจำอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ ต้องรู้และต้องเป็นอย่างที่ว่านี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการนั่งภาวนาจึงไม่เป็นเหตุเป็นผลอันใดพอที่จะให้มักให้ผลเกิดขึ้นได้พอประมาณและได้เป็นที่พอใจเนื่องจากมันมีสิ่งต่อต้านกันอยู่ภายในจิตใจโดยเจ้าตัวก็ไม่สนใจและไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งต่อต้าน ที่จะให้เราเก้าวเดินเพื่ออัดเพื่อทมเพื่อสมาธิปัญญาและเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องถูกสิ่งเหล่านี้กีดขวางผลักดันอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายลองใช้ความสังเกต ด, ดูความผลักดันของที่ให้จิตคิดในแง่ต่างๆ เพื่อออกนอกรูนอกทางนั้นเป็นอย่างไรมีไหมภานในจิตใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจจริงๆแล้วอย่างไรก็ต้องได้รบกับสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแห่งการประกอบความภาคเพียนจริงๆได้รบกับมันอยู่ตลอดจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไป เมื่อสิ่งเหล่านี้อ่อนตัวลงไปใจก็เกิดความสงบเย็นได้ที่ใจไม่สงบก็เพราะความคิดเหล่านี้แหละที่เป็นมานต่อความสงบเย็นใจของเราจะเป็นอะไรที่ไหนไปเราจะไปหามารที่ไหนถ้าไม่หาสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิตใจและทําลายความสงบเย็นใจของเราดูตลอดเวลาไม่ให้เกิดขึ้นได้นี่จะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ความคิด สังขารที่ปรุงขึ้นอยู่ตลอดเวลาในแง่ต่างๆนี่เท่านั้นจะเป็นอะไรไปผู้ปฏิบัติต้องได้สังต้องต้องได้สังเกตต้องได้รบกับความชิดปรุงเหล่านี้ด้วยความตั้งหน้าตั้งตารบกันจริงๆสังเกตกันจริงๆ ระงับดับกันด้วยอุบายต่างๆอย่างแท้จริงเช่นอย่างน้อยนําคําบริกรรมเข้ามากํากับมากกว่านั้นใช้ปัญญาพิจารณาตรายตรองตามความคิดปรุงนี้ว่ามันคิดปรุงเรื่องอะไรมันจะคิดปรุงไปถึงไหนตามต้อนตามตีกันอยู่ตลอดเวลาด้วยความสนใจใครรู้ใครเห็นความเคลื่อนไหวของความคิดปรุงเหล่านี้แล้ว จิตจะต้องได้ย้อนตัวเข้ามาสู่ความสงบจนได้เพราะสิ่งเหล่านั้นสงบตัวลงด้วยสติที่เราเพียรพยายามปิดตามอยู่เสมอถ้าไม่ได้ใช้ความพิจารณาอย่างนี้อย่างไรก็ไม่เจอความสงบเบย็นใจได้และเราไม่ทราบว่ามานที่ขีดขวางทางเดินเพื่อความอย่างน้อยเพื่อความสงบคืออะไรเราจะไม่มีทางทราบได้เลย นี่ล่ะมานของการปฏิบัติธรรมงานของสมาธิงานของปัญญาหรืองานของอมานของสมาธิมานของปัญญามานของมรรคผลนิพพานจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ความชิดที่สอดแทรกสอดแทรกอยู่ภายในความเพียรของเราโดยเป็นเรื่องของสมุทัยแล้วจะเป็นอะไรไปนี่ล่ะสมุทัยมันแทรกอยูอย่างนี้ ละเอียดหมาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้พิจารณาบ้างหรื อ, อยังสิ่งวันนี้ที่กล่ารเหล่านี้ได้พิจารณาแล้วทั้งนั้นยึงได้นํามาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังไม่ใช่ไม่ได้พิจารณาและพร้อมทั้งการได้ลบกันอย่างเต็มที่เต็มฐานอีกด้วยจนเห็นเหตุเห็นผลกันถึงกับขั้นพอฟัดพอเหวี่ยงและสิ่งเหล่านี้หมอบราบลงไปปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของ ปัญญาที่จะก้าวเดินเพื่อห้ามหันหรือสังหารสิ่งานี้ให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับนั่นนี่วันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ทั้งทั้งที่เป็นสำนักปฏิบัติเป็นวัดปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติแต่ความเคลื่อนไหวแห่งผู้ปฏิบัติกลายเป็นเรื่องทําลายตัวเองทําลายอัตธรรม สมาธิปัญญาไปโดยลำดับลำดายอยู่เรื่อยมาอย่างนี้เราจะหาความสงบเย็นใจและมรรคผลนิพพานที่ไหนอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้วันหนึ่งวันหนึ่งเราหวังอะไรก็เห็นแต่มือกับแจ้งนี้เท่านั้น เป็นมาตั้งกับตั้งกันและจะเป็นไปอีกตั้งกับตั้งกันไม่มีใครสามารถจะนับอ่านได้เลยในความมืดความแก้งที่เป็นมาอยู่อย่างนี้และจะเป็นไปข้างหน้าเราหวังอะไรสิ่งใดที่เป็นภัยต่อเราอยู่เวลานี้ถ้าไม่ใช่ความคิดความปรุงที่กุเรื่องขึ้นมา ทำลายเจ้าของอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้จะเป็นอะไรไปนี่แะการปฏิบัติศาสนาหรือปฏิบัติกิตตภาวนาจึงต้องย้อนใจนิดจ่อสติและปัญญาลงที่ต้นเหตุบอ่อเหตุคือใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้ได้บรรจุสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยซึ่งจะต้องผลักดันออกมาอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีสติ จะมีแต่เรื่องสังขารที่เป็นสวนสมุไทยนี้เท่านั้นทำงานอยู่ตลอดเวลามเวลาการทำงานของสมุไทยไม่ทำงานเพื่อความสงบเย็นใจนอกจากเพื่อความฟุ้งซ่านลาคาญแล้วขนทุกมาเผาตัวข้างเราโดยไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเลยเท่านั้นไม่เห็นมีสิ่งใดจะเลิศเลอเพราะความปรุงแต่งของ กิเยสสมุทัยเหล่านี้นี่จึงทำให้มิตกปีจาร์ ก, การประพฤติปฏิบัติของเพื่อนฝูงที่ดูลักษณะอ่อ น, ออนแอในการประกอบความภาพเปลี่ยนมากอยู่ไม่น้อยทำไมจึงทราบว่ามากว่าไม่น้อยก็เคยปฏิบัติอยู่แล้วเหมือนกันก่อนที่จะได้มา รับความเสียสั์ปัญญาของเพื่อนสูงและประชาชนว่าเป็นครูเิ็นอาจารย์ได้เคยฟัดเคยเหยี่ยงกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วขณะที่สติปัญญาอ่อนความเพียรอ่อนเป็นอย่างไรเรื่องของกิเลสมีแต่คอยจะลุกหน้าคืบหน้าเลื่อยไปไม่มีคําว่าอ่อนกําลังด้วยการปล่อยตามใจให้มันคิดตามเรื่องของมัน นอกจากจะมีความเข้มแข็งทางความภาคความเพียรหาอุบายวิธีการต่างๆพลิกแปลงพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆที่คิดที่ปรุงขึ้นภายใ น, ในใจิตใจของตัวเองนั่นแหละอย่างน้อยให้สงบตัวลงไปพอใจได้รับความเย็นใจบ้างก็อย่างดีที่ท่านเรียกว่าสมาธิหรือสมาถะธรรม การปฏิบัติทำถ้าไม่เห็นความสงบเย็นใจจนปรากฏเป็นความสง่าราศีขึ้นภายในตัวเองแล้วเราจะหวังพึ่งอะไรในตัวของเรานี้มีอะไรก็หนังเนื้อเองกระดูกหุ้มห่อกันอยู่เพียงเท่านั้นผิดอะไรกับโลกของเขาสิ่งที่เป็นที่ภูมิใจภายในตัวของเรานี้ก็คือจิตเป็นผู้ทรงธรรมไว้ได้ด้วยการประกอบความภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอ เป็นผลให้ทราบชัดภายในจิตใจมีสมถะ ร, รมเป็นพื้นฐานคือความสงบเย็นใจเพียงเท่านี้เราก็ภูมิใจว่าใจเราได้รับความสงบเย็นไม่ดิ้นรนกระวนกระวายเหมือนโลกทั่ ว, วไปที่เขาไม่ได้สนใจประพฤติปฏิบัติอัดธรรมเลยเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้ชมอัดชมรรมภาณในจิตใจของตนด้วยความภาคภูมิใจตั้งแต่ขั้นนี้ขึ้นไป เมื่อความอุตสาห์พยายามไม่หยุดไม่ถอยเพราะผลแห่งสมถะธรรมได้ปรากฏเป็นพื้นฐานและเป็นต้นทุนอยู่แล้วความเพียรก็ย่อมก้าวไปอยู่โดยสม่ำเสมอจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาพิงิี้พิจารณาไข้ครวนแยกแยะดังที่เคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วโดยถือรากฐานอันสาคัญได้แก่ร่างกายของเรา เป็นสนามรบหรือเป็นสถานที่ทำงานเริ่มดังที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดทางให้ในเบื้องต้นว่าเจสาโลมานค า, าสันตาตาจูเอาเปิดเข้าไปแยกแยะเข้าไปให้เห็นตามความจัดความจริงของธรรมธรรมท่านไม่หลอกไม่หลอนผู้ใดแหละธรรมต้องต้องเป็นความจริงเห็นตามความจริงพระพิจารณาตามความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายเหล่านี้ ไม่ได้มีการเสกสรรปั้นยอปอปั้นเหมือนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งอาการใดแสดงออกมามีแต่อาการหลอกลวงต้มตุนทั้งนั้นภายในร่างกายของเรา ม, เร ม, ม, ม, มีชิ้นไหนที่กิเลสมันไม่สัเหมวนมีชิ้นไหนที่กิเลสมันไม่ว่าดิบว่าเป็นของดิบของดีเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรมั่นคงเป็นของยั่งยืนมีที่ตรงไหนจุดไหน มีแต่เรื่องมันปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมาด้วยลมๆแรงๆซึ่งหาความจริงไม่ได้ทางนั้นเราหลงขนาดไหนถึงได้ยังยอมติดมันความเสกสันต์พันยอของมันอยู่เช่นนี้มันมีแต่ลมๆแรงๆหาความจริงที่ไหนมีในร่างกายส่วนนี้ทั้งส่วนใดของผู้ใดก็ตามมันไม่มีมีแต่ลมๆแรงๆที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นเรื่องของความเสศสันต์พันยอของจดี์ให้ โลกทั้งหลายได้ติดกันส่วนธรรมท่านพุ่งทะลุเข้าไปสู่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงอยู่แล้วธรรมก็พิจารณาตามความจริงก้าวเดินตามความจริงพูดทึงเรื่องอสุภะอสุภังในร่างกายของเหล่านี้ตรงไหนที่เป็นของสะอาดสะอานเป็นของสวยของงามมีที่ตรงไหนนี่ธรรมท่านบอกไม่มีเพราะไม่มีจริงๆนั่น พูดถึงเรื่องทุกข์ทุกข์ขังเป็นยังไงบีบบังคับไม้วันหนึ่งคืนหนึ่งดิ้นรนกระวนกระวายเพราะบรรเทาทุกข์เพราะระงับทุกข์ไม่ใช่เพราะความสุขพาให้ดิ้นพายดิ้นพายเพลิดเพลินแต่เป็นความทุกข์ที่มันบีบบังคับภายในร่างกายและจิตใจของเราจึงต้องดิ้นรนกระวนกระวายหรือกระเสือกกระสนไม่มีใครที่จะอยู่โดยลําพังตนเองได้ต้องดิ้นต้องดิ้นเสมอเพื่อบรรเทาความทุกข์ ที่มันเกิดนั่นให้เบาบางลงไปบ้างพอทรงตัวอยู่ได้ในวันหนึ่งหนึ่งนี่ท่านเดียว่าทุกขังจริงหรือไม่จริงพิจารณาสีกิเลสมันเอาความสุขที่ไหนมาให้เสกสรรขึ้นมาเมื่อผิดจากความจริงแล้วมันจะต้องปีนเกลียว ก, กันกับความสุขกลายเป็นเรื่องความทุกข์ไปทั้งนั้นคำว่าอ น, นิจจังก็เห็นกันอยู่นี่เห็นอยู่ภายในตัวของเราหายใจเข้าหายใจออกมันเที่ยงเมื่อไหร่ ถ้าเที่ยงแล้วมันจะมีเข้ามีออกอะไรอยู่ตลอดเวลามีมากมีน้อยและสุดท้ายมันก็หยุดตายกันได้นะั่นอานิจังแปลสภาพตั้งแต่เด็กๆปฏิเข้าเริ่มเข้าสู่ปฏิสุลทิวิญญาณมาจนกระทั่งบัดนี้แปลหรือไม่แปดลดูสินี่คือความจริงท่านบอกอา น, นิจังมันเป็นอย่างนี้ถ้าเชื่อตามหลักความจริงนี้แล้วเราจะไปตื่นเต้นอะไร กับสิ่งที่มันเป็นตามสภาพของมันเราก็รู้ตามสภาพของมันและตื่นหาอะไรไม่มีอะไรตื่นที่ตื่นนั่นก็เพราะดิ้นตามสิ่งหลอกลวงต่างหาพมพหุอนัตตาก็เหมือนกันนี่เหล่านี้ได้เคยแสดงมากมาย่ลายกองหลายครั้งหลายหนไม่เคยที่จะละเว้นทาเหล่านี้เลยในการแสดงธรรมเพราะการปฏิบัติก็หาความละเว้นมาได้ในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ ต้องเดินตามนี้นี่เพราะเป็นสายทางเดินเพื่อความคลี่คลายขยายจิตตัวออกจากสิ่งผูกมัดหรือฟืนไฟทั้งหลายเหล่านี้ที่เราไปยึดมันให้ห่างออกไปด้วยการพิจารณาธรรมที่ถูกต้องดีงาม น, น, นี่เรื่องของปัญญาพิจารณาสิ พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านใช้ปัญญาอย่างนี้แหละถอดถอนกิเลสคลี่คลายกิเลสหรือว่าผูกมัดหรือสังหารกิเลสท่านพิจารณาอย่างนี้จนเห็นผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจแล้วจึงได้มาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายว่าให้ดําเนินตามนี้จะไม่เป็นอื่นกิเลสจะหนานแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินทั้งแผ่นก็ตามเถิดจะต้องพังทลายลงด้วยความจริงเพราะความจริงนี้มีอํานาจมากที่สุด ไม่มีอะไรเกินความจริงไอ้ความจำปลอมมีเท่าไรพังทั้งนั้นฟังแต่ว่าจำปลอมเถอะพังทั้งนั้นพังทั้งนั้นถ้าความจริงได้เข้าถึงไหนสิ่งจำปลอมย่อมพังไปด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมีสติปัญญาพิจารณาตามหลักความจริงด้วยความแก่กล้าสามารถเพียงไรแล้วสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดตามเรื่องกิเละหลอกลวงนั้นจะค่อ ย, ลยออคลายตัวออกมาคลายตัวออกมาจนสลัดตัดออกได้ กลายเป็นความสุขเพราะความไม่แบกไม่หามสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพาในจิตใจของตนนี่แหละท่นานบอกปอยอุปาทานอุปาทานคือความแบกความหามอันเกิดขึ้นมาจากความสําคัญมั่นหมายนั่นเองมันทิ้งไปยึดไปถือทั้งทังที่ดินก็รู้กันอยู่แล้ววัดดินมันไปยึดหาอะไรนี่เป็นยังไงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติให้กิเลสมันหลอกจอมสจดๆร้อนๆอนืม พิจารณาสินี่คือเรื่องปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงส่วนที่จะคอยขัดคอยแย่งเราซึ่งเคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันต้องขัดต้องแย่งอยู่ตลอดเวลาต้องสู้กันกับสิ่งเหล่านี้แหละคือความจำปลอมนั่นแ่ะมันมาขัดมาแย้งให้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งๆที่มันไม่เป็นมีแต่ลมแต่แรงเสียสรัรเราเฉยเฉยมันก็ มาขัดมาแย้งถ้าสติปัญญาไม่ทันก็หลงตามล่มจมไปตามมันจนได้ไม่สงสัยนี่คือเรื่องของปัญญาแห่งผู้ปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีงานอะไรนักบวชเรามีงานอะไรมีแต่งานชำระซักฟอกจิตใจของตนให้กิเลสทั้งหลายเบาบางลงไปจนกระทั่งถึงหมดสิ้นไปจากใจด้วยความเพียรของเรานี่เท่านั้น แล้วมีมีงานอะไรเข้ามาแทรกมาขัดมาแยง้งถ้าไม่ใช่เราหาเรื่องใส่ตัวเองหาจับฟืนจับไฟมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนมุ่นวายไปเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะมาขัดมาแย่งเราไม่ให้ประกอบความภาคเพียนได้ด้วยความเต็ม เ, เต็มอกเต็มใจและได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราดูสิวันหนึ่งวันหนึ่งมีงานมีการอะไรบินทบาทก็ล้นบาทเหลือบาทมาจะฉันเท่าไหร่ก็ได้ แล้วฉันแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาบังคับบังชาให้ไปต้องไปทํางานนั้นนี่ต้องไปทํางานนี่เหมือนอย่างโรคสงสารเขามีแต่การประกอบความภาคเพียนฉันอยู่ก็เราก็ทําได้ทําความเพียนไม่มีการบังคับเพราะการประกอบความเพียนมีอยู่ทุกขณะจิตของผู้สนใจที่จะพิจรารณาได้ทุกขณะจิตที่จะพิจรารณานอกจากเราไม่สนใจเสียเท่านั้นแล้วก็หาเรื่องหาราวว่า อันนั้นมายุ่งอันนี้มายุ่งก็เรื่องของกิเลสมันต้องยุ่งตลอดเวลานั่นแหละมันพาใครให้สงบร่มเย็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเรารู้หมายเราก็ไม่รู้ถลเอ๋อถลเอ๋อออกไปทะเล๋ถลเอ๋ออกไปอยู่เรื่อยๆไม่เข้าร่องเข้ารอยที่จะให้เป็นความสงบร่มเย็นตามทางอัดทางธรรมเลยเราจะหวังอามากผลนิพานที่ไหนกันพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดําเนินท่านไม่ได้ดําเนินอย่างนี้สถานที่อยู่ของท่านก็ป่าก็เขา มีเต็มไปหมดในตำรับตำลาค้านกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างเรือนต่างคนต่างรู้เห็นมาหาค้านที่ไหนเพราะเป็นสุขาธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเอาอะไรไปค้านภาสาวกทั้งหลายร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังในสถานที่อยู่คือป่าคือเขาลำนาวไพราการประกอบความภาคเพียรเป็นจิตเป็นใจพึ่งเป็ น, ปนพึ่งตายกับการประกอบความเพียนอย่างแท้จริงการต่อสู้กิเลสก็เหมือนกัน สู้เอาถึงเป็นถึงตายผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นพุทธังสนังขฉามิของพวกเราธรรมังปรากฏขึ้นมาจากความเพียรของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้โลกได้กราบไหวบูชาสังฆังสนังขฉามิเป็นผู้สิ่งเจดิตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันเป็นองค์ขปยานของพระเจ้าเพราะการประกอบความเพียรดังที่กล่าวมาเหล่านี้แหละท่านไม่ใช่เพราะยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไป แย้งเอางานของโลกมาเหมาจะหมดทั้งตลาดภายในใจของเรามีแต่ตลาดของงานยุ่งไปหมด อ, องานนั้นแล้วงานนี้งานนี้แล้วงานนั้นปรุงไปหมดหาความปรุงเป็นอัดเป็นธรรมไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเข้าไปตีตลาดภายในหัวใจของพระผู้ปฏิบัติเราจะบางเอามพลนิพพานที่ไหนมีมันก็มีตั้งแต่ความเล้วไหลเหลี้วแหลกเต็มหัวใจเรานั่นแหละแล้วเราจะเป็นที่พึงใจที่ตรงไหน สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพิจารณาเลต้องนำมาพิจารณาต้องนำมาเทียบเคียงผู้จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นต้องเสาะต้องแสวงหาช่องหาทางที่จะเล็ดลอดไปได้อยู่โดยสม่ำเสมอไม่มากก็น้อยต้องเป็นอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดทราบซ่านไปทั่วสกลากายทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกมีแต่เรื่องของกิเลสจับจองไว้หมดเหตุใดเราจะมีช่อง ทางพอรรอดไปได้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างแท้จริงแล้วจะไปไม่รอดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้วหามกองทุกขที่เป็นผลของกิเลสผิดขึ้นมาอยู่ตลอดไปตั้งแต่กลับไหนกันใดมาแล้วเราเป็นที่แน่ใจการแนะนาสสอนหมู่เพื่อนแน่ใจในหัวใจนี้เองได้ปฏิบัติมาอย่างนี้เรื่อนใจดวงนี้มันเคยแบกพบแบกชาติ พร้อมกับแบกกองทุกุมามากน้อยเพียงไรตั้งแต่กับไหนกันใดนับไม่ได้เลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันจะยุติสิ้นสุดยุติกันที่ตรงไหนอเรื่องกองทุกเหล่านี้ถ้ากิเลสอันเป็นเหตุผิดทุกข์ขึ้นมามันยุติลงได้ทุกข์ก็เป็นอันมาหมดสิ้นไปความเกิดเกีเจ็บตาทั้งหลายดังที่ท่านว่าชาติปิฎูขาชราปิฎูขามานำปิฎู ข, ขังซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะอำนาจหองความเกิดและมีเพราะเชื้อแห่งสิ่งที่พั้นเกิดมันมีอยู่ภายใจิตใจนี้ นี่ได้สังหารกันลงไปแล้วมันจะอะไรมาเกิดฟังสินี่แหละตรงนี้ตรงสําคัญที่จุดจุดที่รวมแห่งกองทุกข์ทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ก็คือกิเลสเป็นผู้ประมวลเป็นผู้ผิดขึ้นมาผ้าในาจิตใจดวงนี้เองนี่ถึงไม่นับก็าตามมันรู้หยุดประจับเอาปัจจุบันนจิตนี้เป็นสักขีพยานย้อนหลังเข้าไปกี่กลับกี่กันก็เข้าใจในจุดนี้หมด ไม่ไม่เนรนอกเหนือไปจากจุดคือตัวเหตุอันสําคัญได้แกจิตที่มีอวิชชาฝังจมอยู่นี่เลยอวิชชาคือเชื้ออันสําคัญฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี่คือกิเลสตัวสําคัญที่สุดละเอียดแหลมคมมากที่สุดจึงเรียกว่ากษัตริย์วัตจิตจะได้แก่อะไรถ้าไม่ได้แก่จิตได้แก่อวิชชาดวงนี้นี่ประมวลเข้ามาผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะสามารถประมวลสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องไปถามใครแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้ววิธีการ ที่จะประมวลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความภาคเพียรกานกรองเข้ามาตับเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยดังที่กล่าวมาแล้วตะกี้นี้ตั้งแต่เรื่องอสยุพาศุภังอนิจจังทุกขังนตานีิรวนแรงตั้งแต่ประมวลเข้ามาให้เห็นตามความสัต์ความจริงที่มันเป็นจริงอยู่แล้วอย่างไรให้เห็นตามความสัต์ความจริงโดยทางปัญญาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจะประมวลตัวเข้ามาประมวลตัวเข้ามาแล้วหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนรวมเข้ามาสู่ที่ดวงใจดวงเดียวนี่ เรื่องพบชาติอะไรเป็นสาเหตุกําหนดลงไปดูที่นั่นมันก็กระจ่างแจ้งอยู่แล้วอะไรเป็นพบชาติตนไม้ภูกเขาไม่ได้เป็นพบเป็นชาติไม่ได้มาสร้างความทุกข์ความลำบากให้นอกจากกิเลส ท, ที่ฝังอยู่ภายใน จ, ใจิตใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนั่นความเพียรอย่างลงที่ตรงนี้ที่นักปฏิบัติเมื่ออย่างลงไปตรงตรงตรงนี้แล้วยังไงก็ประมวลเข้ามาได้ล่ะอา้าวเคยเกิดมากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่การก็เอาเกิดมาผ่านมาแล้วที่อนาคต จะเป็นอย่างไรตัดลงในวงปัจจุบันให้ขาดจะ บ, บัน้นอนาคตจะมีไปไม่ได้ถ้าปัจจุบันไม่ส่งเงื่อนให้ไปเกิดปัจจุบันนี้ได้ฟันลงอย่างขาดจะ บ, บัน้นหันแหลกไม่มีเหลือแล้วภายในจิตใจกระจางแจ้งขึ้นในทีน่นี้ไม่ต้องถามใครแล้วพูดแล้วสาธุเลยบรรดาพระสาวกอรหันทั้งหลายว่าไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าทูล ถ, ถามอย่างไรเพราะความจริงอันเดียวกันสอนลงเพื่อความจริงนี่เท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่นก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าสันทิฏิโกอย่างสุดยอดก็ตรงนี้จะเป็นที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าก็สันทิฏิโกสุดยอดพระไทยในตรงนี้ภาษาวอก็สุดยอดที่ตรงนี้และประกาศกังวานขึ้นพระด้วยความจริงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นที่ดวงใจดวงนี้ดวงเดียวนี้เท่านั้นนั่นปดแล้วทุกที่นี่อ้าวเรื่องที่จะไปเกิดปตาที่ไหนหมดมันรู้เองจะหวยางไนั่นนี่แหละการ ที่จะสังหารเรื่องความทุกข์ให้สังหารอย่างนี้อะไรเป็นตัวเหตุก็พูดแล้วมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนถึงไหนพิจารณาประมวลเข้ามาประมวลเข้ามาอันนี้เรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาเป็นของสําคัญมากทีเดียวนี่การใช้ปัญญาใช้อย่างนี้เวลาใช้ปัญญาเอ า, เอาจิงเอาจังเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยสติ กำลังบางชามีเท่าไหรโหมตัวเข้าไปยาเสียดายทุกยาเสียดายกิเลสสมู ท, ทยัยคือความที่เกียดชี้ค้านความทอดแท้ อ, อ, อ่อความถลเอะถลเอซึ่งเป็นเรื่องของสมู ท, ทยัยลากจิตใจของเราออกไปนอกลูดนอกทางทั้งนั้นนี่เคยเป็นมาเท่าไหร่แล้วผู้ปฏิบัติไม่ทราบใครจะทราบผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นพระพุทธเจ้า เป็นเอกในภาคปฏิบัติพระสาวกอรหันทั้งหลายเป็นเอกในภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงในทรงทำอันเอกขึ้นที่ใจของท่านมีผู้ปฏิบัติทั้งหลายดําเนินด้วยเอาเครื่องมือจากพระพุทธเจ้าที่ทรงดําเนินและประทานให้แล้วนั้นคือสัทธาวิริยะสะติสมาธิปัญญาเป็นต้นประมวลเข้ามาโหมกันกับกิเลสที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้อย่างไรก็พังพระพุทธเจ้า ทำลายกิเลสให้พังราบลงไปเพราะธรรมเหล่านี้สาวกทั้งหลายพระเพราะธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นเหตุใดเมื่อเข้ามาสู่เราแล้วมันจะล่มจมคิดหายไปถ้าไม่ใช่กิเลสมันปัดมือออกเสียปัดมือเสียไม่ให้ฟันให้ทำลายมันได้เท่านั้นมักจะเป็นอย่างนั้นเท่าที่สังเกตดูความภากเพยียนของหมูเพื่อนนี้ อ, อ, นอ่อนแอท้อแทะทำอะไรอะไรเลยมักจะสะดุดตาสะดุดหูอยู่เสมอ พูดก็สะดุดหูจริยา ท, ที่แสดงออกก็สะดุดตามันทำไมจึงสะดุดตาเออมันบกพ้่องในในธรรมมันก็สะดุดตาถ้าเรามองเป็นธรรมมองด้วยความเป็นธรรมมองด้วยสติมองด้วยปัญญาหลักธรรมชาติของธรรมที่พระองค์ทรงสอนไม่แล้วตรงไหนที่ที่ผิดก็รู้ไม่ผิดก็รู้แั่นแล้วทำไมเจ้าของไม่รู้เจ้าของนี่สิมันสาคัญ นี่เราพูดถึงผลของการปฏิบัติผลที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับภูมิปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเราก็คือมรรคผลนิพพานนี่เป็นที่เหมาะสมมากกับผู้ปฏิบัติไอเรื่องกิเลสตัณหาาะวะ เรื่องดิ้นรนกรังกวลกวายกวาดแปฝงกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยุ่งเหยิงในเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ไม่ใช่เรื่องของสมณะผู้ปฏิบัติทำเลยคือผู้ปฏิบัติทำปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวสําคัญอยู่ภายใน จ, จิตใจด้วยความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสลับเป็นสลัตายลงไปนี่เท่านั้นปเป็นผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลได้โดยสมบูรณ์ดังครั้งพุทธการท่านทรงมาแล้ว เพราะธรรมนี้เป็นธรรมสดสดร้อนร้อนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วมีไม่มีปลีกแวะไม่มีผิดไม่มีเคลื่อนคร่าจากหลักความจริงที่ทรงดําเนินมาแล้วและเห็นผลเป็นที่พอประทายมาแล้วเลยกรงแนวต่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวกันถ้าเรานํามาประพฤติปฏิบัติยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิงไม่ให้กิเลสมันมาปัดมือออกเสียแล้วผักใส่ออกจากออกนอกผููนอกทางไปเสียเท่านั้นหลังอย่างไรก็ไปไม่พ้น เรื่องมาพรนิพานเพราะรออยู่แล้วตามความจริงของผู้ปฏิบัติที่จะก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นนี่มันสําคัญที่การปฏิบัติจิตใจแล้วหละแหล ะ, ละหาความสัตย์ความจริงมาได้นี่สิมันมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องของธรรมแสดงเรื่องความมีสติเรื่องความมีปัญญาพาแสดงนั้นเป็นเรื่องของธรรม ในวงผู้ปฏิบัติสติปัญญาเป็นสำคัญมากทีเดียวการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาประการใดก็ตามสติปัญญาเป็นของสำคัญมากทนก็ทนด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาอดอันทนก็ดีต่อสู้วิธีต่างๆด้วยสติปัญญาทั้งนั้นคำมาสติปัญญานี่ไม่เว้นเพราะเป็นธรรมที่จำเป็นและสำคัญมากที่สุดในการต่อสู้กับกิเลส ถ้าทำทั้งสองประเภทนี้ไม่มีคําว่าเพียรเพียรก็ไม่ทราบว่าเพียรอะไรการเดินโลกเขาก็เดินได้การนั่งโลกเขาก็นั่งได้ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกถ้าไม่ใช่นั่งด้วยสตินั่งด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามหลักธรรมของมุสลิมเจ้าไม่ใช่สติปัญญาเรื่องโลกโลกที่กิเลสมันผิดให้นั้นแต่เป็นสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากหลักธรรม ทงที่ส่งแสดงไว้แล้วนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองจนกลายเป็นสมบัติของตนขึ้นมาเป็นสติของตนปัญญาของตนโดยแท้นั่นและเป็นเครื่องสังหารกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยนี่่ะพวกเราบกพร่องมากที่สุดก็บกพร่องตรงนี้ผลของศาสนาผลของผู้ปฏิบัติไม่ปรากฏเลยนี่อย่างไรพวกเรามีแต่ชื่อ พระกรม ร, ะกรมฐานพระสุรงกรรมฐานแต่มรรคผลนิพพานที่ควรแกบวงปฏิบัติของเรามีหรือไม่มีนี่สิมันสําคัญแล้วอยากจะพูดมันไม่มีถ้าความเพียรอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้มันจะมีไม่ได้เพราะถูกกิเลสตบพิกิเลสตีกิเลสปรับออกอยู่ตลอดเวลามันไม่เข้าช่องเข้าทางพอจะฟันหัวกิเลสได้สิมีแต่กิเลสจับเครื่องศาสตราบุธนั้นมาฟันหัวเราเสร็จ โดยไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวทั้งๆ ท, ที่ประกอบความภาคเปลี่ยนอยู่นั่นแหละอันนี้มีจํานวนมากนี่เราจะว่าเราเราจะเห็นว่าอย่างไรก็เพราะเราโง่ ก, กว่ากิเลสนั่นสินั้นถึงไม่ทันคิดสติปัญญาขึ้นเอาอบรมสติปัญญาขึ้นให้ดีสืบเนื่องกันประเดิมดับสติให้สืบเนื่องปัญญาก็ใช้ความพินิพิจารณาเข้าไปดังที่กล่าวนี้ฐานที่ ทํางานสถานที่ทํางานของปัญญาคืออะไรก็พูดแล้วตะ ก, กี้นี้ยกร่างกานี้ขึ้นแล้วมันจะกระจายไปหมดถึงพวกนามธรรมา ท, ทั้งหลายนี่ล้วนแล้วแต่เป็นที่ทํางานของปัญญามีน้ําซ้ํำยังเป็นหินลับของปัญญาได้อีกให้พิจารณามากเท่าไหร่ปัญญายิ่งข่มกร้าพิจารณามากเท่าไหร่ปัญญายิ่งเฉียบแหลมสามารถที่จะแทงทะลุเข้าไปในกิเลสส่วนละเอียดทำส่วนละเอียดต า, ตามกันไปตามลงไปจนกระทั่งถึงสังหาร กิเลสได้นี่นี่แหละมันทันที่นี่ไอ้เรื่องอะไรที่จะแสดงออกมากิเลสมันแสดงมาในแง่ใดมุมใดทันกันทั้งนั้นไม่ทันฆ่าไม่ได้ไม่ทันสังหารไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่ควรจะทันปิดไม่อยู่การที่จะทําให้ทันเพราะอะไรก็เพราะการอบรมการอุตสาห์พยายามการบึกบืนอยู่ไม่หยุนไม่ถอยเห็นภัยก็ให้เห็นอย่างถึงใจตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทรงสั่งสอนด้วยความเห็นภัยอย่างถึงพระไทัยนะ ถ้าไม่ทรงสั่งสอนโลกด้วยธรรมดาธรรมดาธรรมดาเป็นประเพณีไปเฉยเป็นท่าเมตตาลุ่นล้วนด้วยความเห็นภายในทุกจริงๆจึงต้องสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มบทเต็มบาททำจึงเป็นสวดคาธรรมชอบแล้วชอบแล้วเอาม า, เอมานี้เถอะมานี้เถอะหรือให้ดำเนินอย่างนี้อย่างนี้นี้จะไม่เป็นอื่นจะหลุดพ้นไปโดยลาดั บ, ด บ, ดบเหมือนเป็นอย่างนั้ น, นเห็นคุณก็พระองค์ทรงคุณค่า อันเลิศประเสริฐอยู่แล้วภายในพระไถ่ทั้งเห็นคุณทั้งเห็นโทษมีน้ำหนักเท่ากันในพระไถ่ของพระพุทธเจ้าเพราะประจักด้วยกันการแนะนำสั่งสอนโลกเพื่อหนีจากโทษทั้งหลายก็สั่งสอนด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อคุณทั้งนธรรมทั้งหลายมีความบุดพ้นหรือวิมุติธรรมเป็นต้นก็ทรงสั่งสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปหมดทุกแง่ทุกมุมผู้ปฏิบัติ ที่ปฏิบัติด้วยความจัดความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันดังที่เราเห็นแล้วซึ่งกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าพระอรหันต์หนึ่องร้ห้านั้นท่านสําเร็จเป็นวิสุธทธิบุคคลล้วนๆทีเดียวนั่นท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้พ้นภัยอย่างแท้จริงพ้นจริงๆไม่มีคําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนโลกทั้งหลายทั่วไปคือสมแดนโลกธาตุนี้เลย นี่พ้นจริงๆเราปฏิบัติเพื่อความพ้นจริงๆหนีทุกข์จริงๆไม่ให้ทุกข์ติดสอยห้อยตามได้ทันเลยเหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เราจะปฏิบัติอย่างไรหรือจะปฏิบัติแบบรุ่มรุมดอนๆอนจริงๆนอนๆอนๆๆขี้เกียดขี้คลานเต็มไปหมดในตัวของพระของเลนนี่หรอือพิณาสิสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ทั่วไปในโลกในสุขสารเป็นของอาชจรรย์ที่ไหนมีนอกจากความขยันมันเพียรความอุตสาห์พยายามของเรา ให้ความคิดความพิิษฐพิจรารณาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามอัตธรรมที่ทรงสอนไว้นี้เท่านั้นจะเป็นทางสายทางให้พ้นทุกโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและครั้งพุทธการท่านทรงกันไว้ในธรรมทั้งหลายอันเลิ่อเลือดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำเหล่านี้แสดงไม่เพื่อใครพุทธบริษัทคือใครถ้าไม่ใช่เราภิกษุบริษัทก็หมายถึงเราผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นทำลําเอียงที่ตรงไหนไม่มีคำว่าลําเอียงกิเลสก็ไม่เอียงถ้าผิดมันก็ ฟันเราเลยถ้าถูกเราก็ฟันมันได้เลยเหมือนกันตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่ามาเราะแหละๆะครับผมทางพระออกมากขึ้นทุกวันเน้นมากขึ้นทุกวันเออัดกันไปหมดอัดกันเหมือนปลาในกระป๋องคุ ณ, ณธรรมที่จะทรงเป็นมากเป็นผลไม่หนีนี่ว่าไงนั้นจะไม่พออกแตกแล้วเหรอผู้ปฏิบัติธรมรมหาธรรมาในใจไม่เจอ มันมันก็อกแตกกันสิสมาธิธรรมคือความสงบใจก็ไม่มีปัญญาธรรมความเฉลียวฉลาดให้ทันกลมมายาของกิเลตถ้ากิเลสประเดิมดับดับก็ไม่มีมากผลนี่พ่านที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เพื่อจุดนั้นจะออกมาจากไหนถ้าไม่ออกมาจากสายเดทางเดินที่ถูกต้องดีงาม น, นี้เท่านั้นเวลานี้ศา ส, สนาเป็นอย่างที่ว่านี้แล้วนะ ถือว่าเรื่องวัตถุนี้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นรากเป็นฐานจริงๆยิ่งกว่าการแบบคือปฏิบัติจิตใจให้เป็นรากเป็นฐานด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความสงบร่มเย็นทรงไว้ซึ่งมรรคผนิพานอย่างนี้จะไม่มีแล้วนะเวลาเนี้ยมีแต่ชื่ออะไรเป็นศาสตร์จักรเป็นศาสนาประเพณีพ่อกิเลสพาให้เป็นประเพณีทำท่านไม่เป็นประเพณีแต่กิเลสพาให้เป็น ในวงผู้ปฏิบัติในวงผู้นับถือผู้ศาสนานั่นแหละจะเป็นที่ไหนไปคนที่เขาไม่นับถือไม่เอามาเกี่ยวข้องพูดกันในวงผู้ปฏิบัติผู้นับถือผู้ศาสนานี่แหละให้กิเลสมันถือเป็นประเพณีในศาสนาจากหัวใจของผู้นับถือแต่ละคนละคนเลยหามรคหาผลไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเต็มหัวใจนั่นศาสนาก็มีแต่ชื่อจะทําอย่างไร ไหนที่ไหนเราดูสิความเคลื่อนไหวของาศาสนามีแต่แต่ยุ่งเหยิงวุ่นวายควรบ้านควรเมืองไปหมดคนนั่นจะเอาอย่างนั่นคนนี้จะเอาอย่างนี้มีตั้งแต่เรื่องควรกันดูจุงหวใจที่มันยุง่งยุ่งวุ่นวุ่นวาวาอยู่เวลานี้ไม่ดูแต่ตรงนี้แล้วมันสงบเย็นใจการอยู่การจีนการไปการมาปัจจัยทั้งสี่ไม่ว่าโลกว่าธรรมคือไม่ว่าครวาวว่ไม่ว่าพระวา่าเนรพอเป็นพอไปแล้วสบายคนเรา ไอ้เรื่องความเรื่องความฟุ้งเฟอ้อเห่มิมไม่มีเมืองพอนี่คือเรื่องของกิเลสมันให้คนเป็นสุขเพราะเรื่องของกิเลสที่ไหนมีเอาเอาว่าสิบ้านปลูกไปจากประมาณสักกี่ร้อยชั้นเอาปลูกไปสี่นั่นเหลือที่จะทําให้คนเกิดความความความสุขทําต่างหาที่ให้เกิดความสุขความพอดีความรู้จักประมาณความรู้จักรักษาตัวบํารุงหงวัวใจของตัวเองให้ได้ใช้สิ่งทั้งหลายถูกต้องดีงาม เพื่อความสุขแก ต, ตัวเองเท่านั้นนั่นมันเพื่อกิเลสความโลภไม่มีเมืองพอความโกรธความหลงไม่มีเมืองพออะไรเมื่อไม่มีเมืองพอก็ต้องหิวจนกระทั่งวันตายหาความสุขที่ไหนมีนั่นแล้วพระเราก็เหมือนกันนำเรื่องของกิเลสประเภทที่โลกเขาใช้กันอยู่ดา ด, ดื่นเต็มโลกเต็มฐานนี่มาใชา้ในหัวใจเราก็จะมาเผาหัวใจเราหาความพอดีไม่ได้ดิ้นดีดอยู่เหมือนกับสุนัขขี้เรือน เอาความสุขมาจากไหนแล้วก็เห็นไหมชุนักขี่เรือนนั่งที่ไหนมันก็เกาจมัดเกาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะมันดิน้นมันอยู่เป็นสุขไม่ได้มันคันมันก็เกานิจมันมันคันก็เป็นอย่างนั้นแหละเกาอย่างนั้นและเกาอย่างนี้นยุ่งกับสิ่งนั้นและยุ่งกับสิ่งนีน้ไปหาที่ควรจะได้สงบมันไม่สงบเพราะหัวใจไม่สงบมันพาดิน้นก็ต้องดิน้นยุ่งไปหมดโลกมันทําทําเหมือนโลกพระเหมือน บ้านบ้านเหมือนพระเรีอยู่วัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดโยมเหมือนพระพระเหมือนโยมไปเลยเอาอะไรมาเป็นสาราสําคัญที่มีแตกต่างกันถ้าไม่วัดกันด้วยข้อปฏิบัติตามศีลตามธรรมไม่วัดกันด้วยทางใจที่มีความสงบเพียงใจและความปังสใยความสง่างามและความกระจ่างแจ้งพนานจิตใจเป็นเลิศเป็นเลยพนานจิตใจ น, นี้เอาอะไรมาวัดกันระหว่างศาสนากับโลกมีต่างกันอย่างนี้เท่านั้นถ้าไม่ทําจิตใจให้ ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของกุฎิเจ้าให้เป็นผลอย่างนี้แล้วอะไรก็ไม่เห็นมีผิดแปลกกันอะไรกับโลกผ้าเหลืองๆ เ, เต็มอยู่ตามตลาดราดเลยอัศจรรย์ที่ตรงไหนหัวโล้นใครกลนก็ได้ไม่ยากเด็กกลนก็ได้ผู้ชายผู้หญิงโกลงได้ทั้งนั้นถ้าการประพฤติปฏิบัติ ต, ตัวเองไม่มีไม่ดีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติ ต, ต่อจิตใจซึ่งเป็นรากฐานสาคัญ น, นี้จึงเป็นของสําคัญมากที่สุด เมื่อปฏิบัติต่อจิตใจให้มีความรอบคอบมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้ ง, ท, งทั้งภายนอกและภายในแล้วนี่แหละจะเป็นผู้ทรงความสงบเย็นใจไว้ได้พระก็เย็นใจอยู่ในป่าในเขาที่ไหนเย็นใจมีไม่มีไม่มไมสําคัญความเย็นใจคือสมบัติอันล้นค่าแล้วโลกก็รู้จักประมาณในการเราคุยปฏิบัติตัวตนเองการกินอยู่ใช้สอยไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ พงเฟ้อเหวมไปตามนาทของกิเลสซึ่งเป็นเรื่องที่จะขนปืนขนไฟมาเผาตัวในตลอดเวลาน่ะมันดีที่ตรงไหนตรงนั้นมันเห็นมีทางดีเลยถ้าจิตมีประมาณมีความพอดีแล้วก็สงบเบย็นใจได้สบายได้คนเราถ้ามีธรรมไปพุทปฏิบัติอันนี้มันไม่มีธรรมละสิความโลภเป็นธรรมเมื่อไหร่ราคะตันหาเป็นธรรมเมื่อไหร่มันเป็นเครื่องสังหารคนผู้ไม่มีธรรมถ้าผู้มีธรรมก็มีเบรลข้ามล้อ ให้สอยพอเป็นปพอประมาณด้วยอัดด้วยทำเป็นเบรคข้ามล้อเอาไว้ฟืนไฟก็จะไม่เผามากจนเกินไปแม้จะละไม่ได้ก็าตามถ้ายังมีการหักห้ามต้านทางกันอยู่แล้วก็พอฟาดพอเหวี่ยงกันไปอันนี้ปล่อยให้คันเร่งเหยียบคันเร่งแค่จนลงคลองจมไปเลยทั้งรถทั้งคนแล้วเอาความสุขมาจากไหนด้วยความร่มจมเช่นนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะความโลภมันพาลงคลอง แล้วเอาความสูกความสบายมาจากที่ไหนหแล้วจะไปไปตื่นสิไอ้ตื่นเหล็กตื่นหินตื่นทรายตื่นอิดตื่นปูนตื่นไม้เหล่านั้นมันมีเต็มโลกเหยียบอยู่นี่ก็อิดปูนหินทรายไม้ทั้งนั้นแหละหเดินไปไหนก้าวไปไหนไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรองรับฝ่าเท้าแล้วเราเดินได้ยังไงมันเต็มไปหมดตื่นมันอะไรหเหล็กทังสีเหล็กตื่นหาอะไร พิจารณาให้คล่องตัวสินักปฏิบัตินี่เราสอนนักปฏิบัติให้มันคล่องตัวทุกถึงทุกอย่างเมื่อคล่องตัวแล้วรอบตัวแล้วอยู่ไหนอยู่ได้ใช่อะไรใช้ได้สบายสๆพอมอเหมาะพอดีกับหัวใจที่พอดีอยู่แล้วนั้นหาความทุกข์ไม่มีไอ้ที่มันเลยเถิดนั่นสิมันเลยประมาณนั้นที่มันออกนอกรูนออกทางแล้วออกหาคองทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่มีคําว่าหาความสุขถ้านอกเหนือจากธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้ใครจะหวังว่าเอาความสุข จะได้ความสุขเลิศเลอ ม, มาจากไหนมาแข่งศาสนาธรรมของผู้มิเจ้าจนกระทั่งบรรดายมันมันก็ตายไปด้วยความทุกข์ความทรมานของผู้ที่ต้องการแข่งอย่างนั้นนั่นแหละจะเป็นอะไรที่ไหนไปนี่กับกิเลสกับธรรมแข่งกันอยู่ในหัวใจเหล่านี้เรารู้ไหมเวลานี้มันแข่งกันเรื่องอะไรบ้างเร า, เราไม่ได้ดูบ้างเหรอเนี่ยระหว่างกิเลสกับธรรมแข่งกันอยู่ภายในนี้มีแต่กิเลสชนะชนะชนะธรรมแพ้อย่างราบ แค่อย่างหมอบราบหมอบราบก็คือใครถ้าไม่ใช่คือผู้ปฏิบัติเหล่านี่จะเป็นใครไปถ้าอยากจะเห็นชัยชนะของระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันเห็นชัยชนะของธรรมต่อสู้กิเลสฟาดฟันกิเลสไปเอา ล, อาลี่เอาลงไปสิสติปัญญามีเอาหูต้มแกงกินได้หรือพระเจ้าใช้ข่ากิเลสฟันกิเลสห้ามพันกิเลสจนหมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือซากมันติดอยู่ในพระทัยเลยนั่นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสติปัญญาสตากลมเปี่ยนนี้จะเป็นอะไรที่ไหนไป อีดปูนหินซานี่มีที่ไหนไปค้าีิเลสตรงไหนพิจารณาสิตื่นอะไรนั่งปฏิบัติมันเห็นอยู่ภายในจิตใจมันสว่างโลดอยู่ทั้งวันมันคือไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยเมื่อได้พิจารณารอบเป็นกันหมดแล้วเป็นหลักธรรมชาติอะไรเข้ามายุ่งไม่ได้เลยนั่นฟังสิแม้จะยังครองล่างอยู่คือ รูปประคันได้แกร่างกายนี้ครองร่างก็ตามรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์อะไรมันก็มีเป็นธรรมชาติมันแต่ไม่เข้าไปแตะจิตได้ไม่เข้าไปยุ่งกับจิตได้เลยเป็นหลักธรรมชาตินั่นทำมันรอบอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติมันสร้างงามมีตลอดเวลาอะไรจะสร้างงามยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ที่มุดดุดพ้นเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนด้วยความเอาเป็นเอาตาจริงๆตามธรรมที่พระเย้าทรงสั่งสอนสมกับว่าพุทธทางธรรมสังขารสัญญาจามีจริ ง, ง ๆ, ๆไม่ได้มีแต่เพียงว่าพูดแต่ปาก ตัวขี้เกียจขี้ค้านขี้เดือเยียบหัวอยู่ตลอดเวลามันได้เรื่องอะไรผู้ปฏิบัติพากันนำไปพิจารณานะที่พูดเหล่านี้อย่าให้เป็นมานของศาสนาอยู่ประจําหัวใจตัวเองตัวเองนะมันเป็นอยู่เวลานี้เป็นย่งั้นมานของศาสนามันอยู่ที่ใจมันทําลายอยตลอดเวลาทำลายหัวใจ ท, ทํำจนมนเลิศเหตุก็ปฏิคือการปฏิบัติ ก็ถูกต้องดีงามเพื่อความเลิอดในผลแห่งธรรมทั้งหลายแต่เราไม่ปรากฏทั้งเหตุก็ไม่ได้เรื่องลยลาทั้งผลก็ไม่มีวีเววบบ้างเลยเราหวังอะไรอยู่ไม่มีความหวังมีความหวังแต่ไม่มีอะไรสมหวังมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พิจารณาดิให้มันเต็มตื่นไปด้วยความภูมิใจเพราะผลเป็นที่พึงใจได้เตะ เต็มเม็ต็มน่วยหสมบูรณ์แล้วในหัวใจเรานั่นสิผู้ปฏิบัติสมกับพระองค์ท่านประธานพระว่าดไว้ด้วยความเมตพระเมตตาจริงๆผู้ปฏิบัติปฏิบัติสนองความเมตตาขององค์จริงๆปรากฏจนกระทั่งถึงปรากฏผลขึ้นมาเต็มหัวใจจขอของจริงแล้วทำไมจกไม่กราบพระผู้ที่เจ้าอย่างราบละ่ะฮะเวลาอยู่เธอการเวลาเวลาพูดกันไปอย่างนั้นแหละเรื่องโลกสงสารไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันติดมันพันอยู่กับหัวใจ แต่ใจที่มันบริสุทธิ์วิมุตติพ้นแล้วมีแต่กิริยาที่พูดเท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกับเถือนหรืเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยนั่นทันทีเรียกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนั้นเองจิตจะเป็นบริสุทธิ์อย่างไรความบริสุทธิ์ของจิตที่แท้จริงกับความบริสุทธิ์ที่เราคาดคะเนนั้นมันเป็นคนละโลกหนาความสุขที่ว่าแม้ที่สุดว่านิพพานังประาังสุขังความสุข ในพระนิพนพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่คว็นความคาดอันหนึ่งมันกับหลักธรรมชาติแห่งความสุขนั้นมันไม่ได้เข้ากันได้นะต้องผู้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้เป็นนิพพานเท่านั้นไม่ถามก็ <S <S รู้ไม่มีใครที่จะตอบได้ไม่มีใครที่จะพูดถูกในเรื่องจิตที่บริสุทธิ์ผลที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของจิตความเลิศเลอที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของจิตนั้นคืออะไรนอกจากจิตที่บริสุทธิ์แล้วผู้บริสุทธิ์นี้เท่านั้น แต่เป็นผู้ถูกต้องตลอดเวลาแม้ไม่พูดไม่ถามใครก็ตามถูกต้องตลอดเวลานั่นเอาให้เห็นธรรมชาตินีสิที่พระเจ้าทรงสังสอนโลกที่ทรงนํามาแสดงนี้เป็นเรื่องเป็นเพียงกิริยากิริยานั้นนะหลักธรรมชาติจริงๆไม่มีใครที่จะนําออกมาได้แหละพระอรหันต์ท่านมีอยู่เฉพาะท่านพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ พระองค์หนึ่งเป็นบริสุทธิ์พุทโธไม่มีใครไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกก็เป็นอยู่กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีใครที่จะไปคาดไปเดาของท่านได้ถูกต้องเลยถ้าไม่ปฏิบัติตนให้ถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องทูลถามไม่ต้องถามทราบเองดังที่ว่าชันทิตโกนี่ให้มันเห็นอย่างนั้นที่ธรรมะปุริเจ้าไม่ต้องถามก็รู้ไม่ว่างันสิเมื่อปฏิบัติถึงขั้นไม่ต้องถามก็รู้แล้วรู้เองไม่ต้องถามก็รู้ไม่ทูลถามก็รู้ทรงอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วย พระพุทธเจ้าชั้นใดนี้ก็ชั้นนั้นนับกันตลอดเวลาร้อยเปอร์เ็นต้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะาาศาสนาธรรมท่านเป็นอย่างนั้นผลมีอย่างนี้ได้อามาโชว์ได้สิไม่มีใครโชว์ก็โชว์กับเจ้าของสิเลิ่เลยอยู่กับเจ้าของอืมพอที่จะแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้มากน้อยอย่างไรก็สอนใครจะประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรก็ให้เป็นเรื่อง ก, กรรมกรรมนรยมหรือวาสนาอํานวยของผู้นั้นมากน้อยเพียงไรเท่านั่วนเจ้าของไม่ขาดทุนศูนย์ดอกไปไหน เต็มที่เต็มฐานอยู่ภายในจิตใจนั่นอันที่เรียกบรมมาสุบรมมาสุขเรามันมีแต่ความคาดว่าบรมมาสุขเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้ไปวาดภาพเพราะฉะนั้จะเป็นบ้าทั้งๆที่ไม่ไม่ได้ถูกต้องกับบรมสุขและไม่เห็นบรมมาสุขนั่นเลยว่าเป็นอย่างไรมันเห็นในจิตทั้งเจ้าของที่ว่าบริสุทธิ์เป็นยังไงธรรมนิพนธ์นิพนธ์เป็นยังไงบรมมาสุขเป็นยังไงเมื่อมันเห็นในแล้วไม่ถามถามใครทําไม มันเต็มที่เต็มฐานแล้วถึงว่าไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี่ไม่ถามฟังสิสิ่งทัาไหลายได้ถามกันทั้งนั้นอันนี้ไม่ถามประจับนี่อ๋อการแสดงธรรมก็เราพอสมควรพูดานานกันเหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้พูดนานนี่ก็ต้องพูดในฝั่งฝั่งเล่นน้อยนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะพูดลงหน้าลงหลังนะผมสัญญาที่ธรามชาตินี่ไม่เหมือนแต่ก่อนนะเครื่องมือมันชําระ เทศมันทําให้หลงหน้าหลงหลังมันนะจับต้นทนตายไม่ถูกแล้วมันค่อยเปลนมันไปละเพราะเทศนี้ไม่เอาสมมุติไม่เอาขันมาใช้ออะไรมาใช้ขันนี่เป็นนผ่านได้เมื่อไหร่นั่นเนี่ยนามาใช้มันก็เหมือนอย่างเราใช้รถเนี่ยนะ <c oughs> เครื่องนั้นเสียเครื่องนี่เสียอันนั่นเสียนี่เสียในรถคันเดียวนั่นเสียไม่สุดไม่สิน้นนี่ก็เหมือนกันเห็น <c oughs> มันทําให้มันลากหลงหน้าหลงหลังไปแล้วเดินี้ ทันซุดลุมเรื่อยๆนะคอาจะจะหลงยิ่งมีข้อเปรียบเทียบอุ้งวาวมาแล้วห ล, ลงลืมไปเลยเป็นแบบดูได้ชัดอะตัวนี้มันเสื่อมมากจริงๆเรื่องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่อยากยุ่งเลยนะเดี๋ยวนี้นะถึงขนาดนั้นนะทนก็ทนไม่ไหวทนไปก็ไม่นานนะมันเหมือนดึงสายยางออกดึงไปพอหลุดมือนี่ดีทับเข้ามา ดึงไปดีถ้าสุดท้ายดึงไม่ออกความคิดความปรุงความคาดความหมายเป็นทั้งยาเหลืงมันขี้เกียจมันเห็นได้ชัดทีเดียววันหนึ่งวันหนึ่งอยู่คนเดียวเท่านั้นพอแต่จากวางสามหมอเนี่เข้าแล้วเข้าซอกแทกมันเข้าไปซอกเขาเนี่ยแล้วลงปัก ล, ลงไปตรงนั้นปับ ก็เป็นบ้านทุงเชื่อกเป็นบ้านตาัดภูวงเป็นภูมเลที่เราเคยอยู่จากก่อนจากนั้นมาเราอยู่เรื่อยว่านั้นนะ่ะไปเลื่อยมาเลื่อยจนกระทั่งถึงทางภูเหล็กภูเหลืออะไรแล้วนี่ยเเคยไปผ่านมาเหล่า น, นี้บ้านผ่านมาเหล่า น, นั้นส่วนมากมีแต่ บ, บ้านเราเคยอยู่แล้วท่านั้นนะแต่ความนั้นไม่เป็นอย่างนี้บ้านที่เคยอยู่คือมันเป็นดงเป็นป่าทั้งหมดแต <Cle ach. S 2> ่ก่อนนะ <ste chn> เดี๋ยวนี้มันเป็นบ้านเป็นเป็นนาไปหมดแล้วนะ เช่นอย่างที่ที่ว่าอะไรที่เราผ่านมาทีแรกเขาบุ้งแต่ไม่ได้ว่าบินตาบาด ท, ที่ทบ้านใหญ่เนี่ยบินตาบาตเขาเรียกบ้านม่วงบ้านม่วงมีสี่ห้าหลังคาเรือนมันบินตาบาดนั้นเพราะได้อาศัยขอไปอยู่ตีนเขาทางด้านตอนออกเป็นตาภูบุ้งอ่ะทางด้านตอนออก บนถ้าตรงนว้นก็มีแต่ถ้า ม, มันมันไม่เยน็นส่วนมากก็ผมไปหน้าแรงนี่นะใบไม้มันร่วงหมดขึ้นไปดูไม่น่าอยู่ยึงมาอยู่ที่มาอย่ตีนเขาเลยแหละอาศัยน้ำน้ำเป็นปวงน้ำกับมถันนะ ม, มันกล่อยเลยกล่อยไปเขาบอกว่าถ้าถ้ากินนานๆนนะ่ะท้องเสียก็ว า, างมันนะ ก็ไม่ไม่ได้กินที่นั่นก็จะไปกินที่ไหนก็มันมีเท่านั้นน่าไม่มากนะมันไหลอยู่งั่นแหะไหลัด่จัดอยู่พอล้นไปนิดๆิไปอยู่สจมากก็นั่งอยู่ไม่มากไปอยู่นั่นใไ่บาทบางวันเขาก็ใส่ใส่บาทสี่คนบ้างสามคนบ้างที่จะใส่ใส่บาดให้ครบเหมือนรุ่มไม่ค่อยไม่ค่อยครบนะนอนตื่นสายมากพวกนี้ เขานอนถือสายเขาสบายนะทุบถึงหนึ่งสบายเราไปกะใช้สายไปนันขนาดนั้นยังยังข้าวยังไม่สุกก็มีเดี๋ยวชุกไม่สุกก็เป็นไรแล้วก็เร่าบิณฑบาตพ่อมาฉันกันนึ่งมันนก็สบายอยู่คนเดียวเก้งเยอะนะมัน<ย>เก้งลอมพวกเก้อกเงอยู่ข้างที่พักของเราเต็มไปหมด วหมูวเก่งมีเสือก็มีแต่ไม่มาหาลราเนื้อมีที่ไหนเสือก็มีที่นั่นแหะอยู่นั่นก็บสบายนานคนเดียวอินจบานเกือบจะพูดได้ว่ากินข้าวเปล่าทุกๆุกวันบางวันก็มีมะขามเปียวเขาใส่บ้านใส่บา้านโอ้มาใส่คำเดียวจัฟันจะหัก นั่งก็เข้าเป่าแล้วถ้ า, ถาอย่ากมากก็มีน้ำพริกนิดหนึ่งอไอ้ชันน้ำพอแล้วก็เราไปหาอย่างนั้นนี่แล้วไม่ได้เป็นกังวลจริงๆในหัวใจนะเพราะตั้งใจไปที่เช่นนั้นเราเคยอยาูย่านั้นมาแล้วภาวนาดีนี่นั่งนี่ก็กงแนวเลยไม่มีคําศพไม่มีที่ว่าจะป้อ ง, งกันนั่งเวลาไหนก็เถอะไม่ง่วงไม่ง่วง เดินยนโคมก็เหมือนกันตัวเบ้าอุ้ยทำคนเพียงทั้งวันว่างกันเถอะกลางคืนก็เหมือนกันเดินยมเอาสักกี่ชั่วโมงไม่คํานึงเลยไปไหนอยู่แต่นั่นเลยเดินยนโคมนั่งโซ่ที่ตอหนาไม่มีใครไปกวนเลยนะตั้งแต่เราไปอยู่นั่นจนกระทั่งเราออกหนีจากนั่น หเห็นมีใครไปหาเลยเพราะเราไม่ไปหาใครเราจรึงไ ป, ไปอยู่ที่ฉนั้นใครจะไปหาเอินบ้านตาด บ, บ้านใหญ่นั้นเราไม่ไปห่างกันประมาณสองกิโลกว่าจากที่เราอยู่ไปนั้นจะสองกิโลกว่าแต่เราไม่ไปเราบอกให้บันฑบาต บ, บ้านใหญ่ได้ล้วบอกเราไม่ไปเรวบอกันก็สบายเรื่องขนูน้นบ้านตุงเจือกนูน้น วนเขามันมีถ้ำแล้วขึ้นไปจากหลังถ้าขึ้นไปนู่นก็ขึ้นจากถ้าขึ้นไปนู้นก่เป็นหลังเขามีน้ําซับนะมีน้ําซับน้ําซึมผักอันนั้นน่ะที่เขาเรียก ว, ว่าผักโหระพาล่ะเต็มอยู่ข้างบนอ า, อ, าอาศัยกินนั่นแหละ <laughs> บ้านทุงเชี่ยว น, นี้จะมีประมาณครับ ถึงสิบหลังคาเรือนหนึ่งเขาก็ไปไปสร้างใหม่เขาเขาไปตั้งใหม่น่นะสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่สะดวกสบายบ้านนี่แหละบ้านม่วงนี่แนละมันสังัดจริงๆนะมันมีอะไรเลยเงียบทาง ก, กรม เขาทำมาเองเนี่ยก็สบายเขาทาตกลุ่มไม่พอได้ดึยแขนสบายออนะกจากนั้นกลับไปทางโน้นไปทางน้องโจดดงบงังนุ่นไปดูทําพลาดนุ่นโอ้ยมีแต่ขี้ข้างคาวเหม็นจนไอเย็นที่สัตว์แล้วว่าจะไปไปดูถ้ำแถวนั้นน่าอยู่เราจะอยู่ ไปมันอยู่ไม่ได้ไงมันขี้ข้างคาวมันมากขนาดนั้นนะไปลงมาก็เลยมาอยู่ปา่าช้าทอบ้านเนี่ยเพราะว่าบ้านป่าโจดวันนี้เรานั่นแหละน้องโจดบ้านรงบังเขาเขียนไว้นั่ น, หนแหละเรไปอยู่แต่อยู่ใน น, น, น, นู่นในป่าช้านั้นทีนี้มองไปทา ง, ทางที่เราเคยอยู่นีมันเป็นนาไปหมดเลยนะไม่มีคําว่าคําว่าป่าที่เราเคยอยู่นะีไม่มีเลยฟังสิมันเปลี่ยนขนาดนั้นนะ่ะ แถวนี้ผมอยู่นะท่านน่ะไปอยู่แห่งนานๆหลายเดือนอยู่คนเดียวคนเดียวก็มาทางข้อเขียวดอนยาวเีล่านี้มาที่มาทางบ้านอะไรบ้านบอกเแกหรืออะไรโด่งส้มโฮงส้มเฮงนี่มาที่ทามาทางวัดทางพันวันทำเลนี่เป็นทำเลที่เราเที่ยวอยู่ตลอดปีหนึ่งไปทางหนึ่งปีหนึ่งไปทาง ออนั่นกับ้านนี่ยคำบิดคำบอนวันนี้บ้านคำบิดคำบอนบ้านคำบ อ, อนบ้านคำบิดนู้นผมลงมาจากภูเขากลัมาพักอยู่บ้านนี้แต่พักอยู่ทางโน้นอีกละ่ะทางด้านตะวันตกนี่เป็นที่ของท่านอะไรท่านศรีลาท่านเคยไปพักที่นั่นอันนี้จึงไม่ได้ทําอะไรเลยมาพักเรื่องกระนานเหมือนกั น, น, กนเป็นโคก สังกัดดีบ้านคําบ่ออยู่ทางโน้นบ้านคําบิดอยู่ทางโน้นเนี่ยในย่านกลางเนี่ยเราวินอ้าวนี่ราธิวาสไปอยู่กรุมันอดอาหารมาตั้งแต่เขาน่ยจนมีแต่หนังห อ, อกกระดูกลงมานะ่ะมาที่นั่นเขาไม่เห็นเราก็กแปลกดางนั้นชื่อเป็นจานนั่นแหละชื่อจะชื่อจานลีเหมือนกับจานลีเนี่ยตาลีเนี่ย จะไปจังขันเนี่ยที่ผมพูดท้าสักสิ่งที่มันไม่ลืมก็ไม่ลืมนะมนันนะมันเป็นของมันเองผมลงมาจากภูเขาันี่ยก่นมีตะนังหอกขาดูงมามาพักที่นั่นตอนนานเพราะมันมีทาเลที่พระเขาไปอยู่ก่อนนั่นเราไม่ต้องสร้างต้องทำอะไรมันก็อยู่สะดวกสบายแล้วก็เลยอยู่ที่นั่นเราอยู่เขามาจังหัน ผมบินจำบัตทับททงบ้านคําบ่อเนี่ยแต่ไม่ไปถึงคําบ่อนะไปบ้านเล็กๆน้อยๆติดต่อกับคําบ อ, อกมาแล้ท่านมัวกลับ ม, มาแล้วบ้านคําบ่อบ้านใหญ่อยู่นะเป็นกี่มาวันนี้นะนั่นแหละคําบ่อแต่ผมไม่บินตำบาตในหมู่บ้านใหญ่นะมันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วแหละกลับพูดคําบีคาบอ่อเฉยและธรรมเนยรที่เราอยู่ไม่มีเลยมีแต่ทุ่งทั้งหมดมองไปแล้วหาหาที่เราอยู่ไม่เห็นไม่เจอทั้งๆแต่ ก, ก่อนเป็นป่าทั้งนั้นนะมอันก็ยิ่นั่น อันนี้อิะจะเนี่ยจันล<อ>ีเนี่ยแจกรมามาจังคันมูเป็นยงไงเนี่ยผูมันคือพอร้อมกว่เราได้แท่เส้เเป็นคนจินกะหลกเลี่ยได้ดอกนีใจมันคือพอร้อมกว่าเราแท้แท่เน่ยผูป่วยบอกมาผมได้ป่วยได้เนีน่ยะเออหมอผู้ป่วยมันคือพอร้อมกว่าเรากระด้แยวเหมนจะล้างห้องอกระูก โ, โอ้ยกินแล้วากินมะพร้าวเหรอโอ้กโอ้ดกัดบังได้แล้วจเป็นยังอดเข้าวัฒนธรรมพันปูวะเต็งวะนี่ผู้เต่า โอ๊ตเขาบัดนั้นยังพร้อมพร้อมกว่าเราเลยท่านพระกอบความเพียนมันเอาจริงๆนะไม่ใช่ทำเหรียญนี่นะผมจึงไม่ได้สั่งนี่ทาอะไรทั้งนั้นเนี่ยปัดกันสก๊อตเกียร์เรือล้วนล้วนล้วนเลยตั้งแต่ออกพอดีบ้างมากผมไม่มีหรอกเข้ามาก็สั่งผมพูดจริงๆนะคือมันปักสกับตเกียล์มันมันตักจริงๆนี่นะจะว่าแล้วมั่วแตหวังธรรมดายึ้เอาให้มันได้เป็นพระรหันต์ผู้ด่าบ่เรียนเรีนบ่เนะจะให้พ้นทุกที่นี้ไม่ไม่เป็นอย่างอื่น มัมีอย่างอื่นมมีทั้งปีทั้งแย่มิจพ้นเท่านั้นเองเ่านันงานการใดตีจะมาทาให้ราชานี้ให้มายุ่งนี่ไม่ย้อที่่าเลยเพราะผมยังไม่ไทาอย่างนั้ตั้งแต่ออกปฏิบัติมาไม่ทาจริงเลยตั้งแที่ไม่ขีเขียนเหตุผลมันลองบอกมินเนี่ยไม่ทำนี่นะที่ว่าฟัดเขาหลีอยู่ตลอดตลอดตลอดตลอดเลยมันหนักมากกลเที่ยวกับเรื่องโอดอาหารแล้วผมใส่ผมเปน็นสั ว่าทองเสียอายุว่ถึง40นะทองเสียมันเสียมาตั้งแต่1 0แล้วผมรูช้ชัดชัด30เริ่มเสียมาแล้ว11จากนั้นมาก็เรื่อยอยู่เลยมะฉันเราอดไปนะี่มันก็ไม่ถ้ายเจาอะไรมาถ่ายไม่มีอะไรถ่ายพอมาฉันปั๊บอย่างนี้นะพอตกบาบาๆมานี่ยร้องท้องมันจะร้องโกโ๊กเก๊กุ๊พอ ขั้มมาเรอาเราตรงนี้ทายออกหมดเลยไม่มีเหลือ่ายไม่ใช่ธรรมดานะถ่ายไม่ย่อยนี่นะฉันกำลังไปถ่ายมาเป็นอนั้นออกมาเลยอ๋อไม่ย่อยมันก็ไม่สนใจนะคือไม่เป็นอารมณ์ไม่ย่อกไม่ย่อเฉยยิ่งไม่เป็นอารมณ์พอถ้าเอางั้นก็ยุติป้าไอีกไปอีกเลยนั่นเป็นงั้นนะนุ่นภายในใจนุ่นห่ะมันเป็นสิ่งสิ่งที่เด่นมากเกินกว่าที่เราจะมาเป็นอารมณ์กับสิ่งนี้นี่นะ อดไปนานเท่าไหร่ น, นัานอจิตมันยิ่งแม่เหมือนจะเหาะจะบินเน่ยเราพูดเป็นกันเองเราพูดจริงๆเนี่ยมันเหมือนจะเหาะจะบินจริงๆจิตนะมันอัศจรรย์เจ้าของเองยังอัศจรรย์เจ้าของวะมันสง่า ง, งามอะไรอย่างนั้น <c oughs> จ้าอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนยิ่งดึกเขาเท่าไหรน่นี่เหมือนมันแม่เอาอีละนี่กินนะดึกเงียบเท่าไหร่ น, นี่ยิ่งเหมือนกับว่าจิตนี่ครอบโลกธาตุทั้งหมดเลย ความรู้นี่มันเด่นนะครับเหมือนกับครอบโลกกับธาตุไปหมดนั่งดูสิหล่ะเวลาเวลาจะมาฉันมันถึงเด็นเหมือนกับว่าที่ว่าทะเลาะกันอันหนึ่งไม่อยากฉันอันหนึ่งมันจะตายที่ทําไงถ้าฉันมันจะไปไม่รอดบางทีเจ้าด้กะเอ๊ะนี่เราเดินไปถามหมู่บ้านมันจะถึงไหมนะถ้าเราอยู่ไปถึงว่านั่นจะไปไมไป่ไปไม่ถึงนั่นไงกาวเราจะพอไปถึงหมู่บ้าน่ยุบไปละ ไปก็จริงๆริจะถึงหมู่บ้านเขานี่แหมจนจะข้าวขาไม่ออกนะค่อยเดินไปแต่สําคัญพลังของจิตนี่มันมีมากครับไม่งั้นมันพองไปไม่ได้นะผมว่ามันนีเป็นเป็นเพราะพลังของจิตเหมือนเหมือนกรรมการมันกระเบาเพราะอํานาจของจิตมันมันเหมือนก็มันมันหนุนอย่างนี้บางทีมันก็เคลียจนจะไปไม่ได้นะส่วนเบามันกระเบาลงมาอ้วยฉันพอได้กําลังนิดหน่อยแล้วเอาตอนนั้น่ะ อ๋เอเขายิ้มจิตดึกมาเท่าไหร่นี่ยิม้มแหมออดอาหารนี่ที่มันทําให้จิตมันมันละเอียดมันผ่องใสวจริงจริงนี่มันเด่นมากจริงๆนะทางด้านสมาธิมันก็เด่นมากทางด้านปัญญามันก็หมุนติว๋วเลยเพอพออดอาหารกันทั้งนั้นนีเน่เราที่ยเหล่าทั้งบาเพ็ญสมาธิทั้งนบำเพญ็ทเพญทางด้านปัญญาการอดอาหารไม่ถอย ความเพียรมันจึงมีตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนอยู่ตลอดทั้งอยู่อย่างงั้นนะ่ะไม่มีอะไรมายุ่งก็เราอยู่คนเดียวเรานี่นะ่ะนี่ถึงขนาดนั้นที่การประกอบความเพียรเพราะงั้นถึงเวลามาเห็นหมู่เห็นเพื่อนมันถึงลำคาญตานั่นสินี่ทําไงคนละคนก็ยกไว้แต่ว่าเจตนานั่นนะมันเหมือนกันอีกที่ที่มันเคืองตาเครืองใจนะ อัศจรรย์จริงจริงจิตไม่ใช่ธรรมดามันแต่บำเพ็ญอยู่มันก่อนเห็นชัดชัดชัดมันเป็นเครื่องดึงดูดดูดื่มตลอดนะดึกเท่าไหร่ยิ่งมันเหมือนจิตเหมือนกับวันโลกกระท่านี้ไม่มีมีแต่จิตมันถึงขนาดนั้นนะเวลามันละเอียดพอนะโลกกระท่านี้เหมือนไม่มีเหมือนก็มีแต่จิตที่ครอบไปหมดเลย อย่างละเอียดละอออย่างยังแบบอัศจรรย์นะพูดยังไงมันพูดไม่ถูกก็ยังยิ่เทศะกีนนี่มันพูดไม่ถูกถ้าจะนําออกมาพูดมันไม่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนก็พูดได้พอพ อ, พ อ, พอเหมือนกับว่าเป็นเงาเงเท่านั้ที่นําออกมาเนี่เหมือนพอเป็นเงาเงาไม่ใช่เป็นตัวออกมาตัวจริงแท้ออกไม่ได้เนี่ยไม่เหมือนอะไรเลย<ม>เพียงขั้นดําเนินอยู่ยนั้นมันก็ยังเห็นได้ชัดขั้นของปัญญาละเอียดลงไปแล้วยี่ยนไ อัศจันยนะมันไม่ขาดว่าขาดตอนเรื่องความเปลี่ยนนี่ทั้งวันทั้งคืนมันเป็นยังงมันเหมือนกน็มันต่อยกันอยู่ตลอดเร <c oughs> าเป็นตั้งเมื่อก็ต่อยตลอดไม่มีกรรมา ก, การไม่มีการให้น้ํามันก็พอต่อยเพระมันต่อยด้วยความพอใจนี่นะแถวเราเ น, น, นี่มันเป็ น, ปนผมไปทังนั้นเนะี่ยอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียว แต่ที่มันทําให้คิดไม่ดืมบางอย่างก็เช่นอย่างเวลาคนตายสิเขานิมวลประกุศลาก็เขาไม่กินข้าวด้วยเขาก็นิมวลประกุศลาไม่มีผ้าอีกแหละนี่นี่ทําไมเราก็เห็นใจเขาไปกุศลาคนเดียวกุศลาเสร็จแล้วก็มาสวดมวนต์ให้เขาคนเดียวโอ้โหแต่กระสวดเก่งเลยนะเพราะนนั้ระยะนั้นเราความจําของเรามันก็ดีอยู่ธรรมดาปกติสวดมวนต์คนเดียวได้สบายกุศลาคนเดียววิลามาติการเรียบไป ทุกวันนี้มันมันคงจะหลงลืมไปหมดแล้วแหละกุศลธรรมมานี่วันนั้นไปสวดที่วัดโพกนจนลืมอ่ะชูใจสวดวัดโพทุกวันนี้ผมจบกุศลาคนณเนี่ยกคงไม่จบเลยแหละ <laughs> ความมันไม่ได้สวดมานานแสนนานนั้นด้วยความจําไม่เป็นท่าด้วยแต่ความหัวมันคล่องมันติดปากเวลาเขาตายเนี่ยแถวนั่นอะอะไรพุ่มพุ่นอะเขเอาไปเผา ตีนเขาหนุนประชาเขาอยู่นู่นไกลนะจากหมู่บ้านนุ่นเป็นบ้านดงบางเนี่ยเขาตายแล้วอันนี้าเขาไม่ไมันไม่ได้ตายอยู่ที่ที่บ้านถ้าตายที่บ้านปา่าช้าก็มี อ, อยู่แห่งนึ่งทำเลที่ผมไปผมไปอยู่ประชาเขานะทีนี้อันนี้มันตายอยู่ทุ่งนาละสิเขาไม่ขึ้นมาหน้าแรงอ่ะแต่เขาไม่ขึ้นเพนั้นแล้วเขายู่กำนาเขาเลยแล้วได้ตายเราก็ไป กุชลามาติกานะเขาไปเผาเขาโม น, นไปมัน ท, ที่ตั้งตีโอดข้าวนะอย่างนี้มันก็ไม่ลืมลกุศลาให้เขากุศลาองค์เดียวกับสวนมนเขา เ, เขาต้องการยังไงจะทําไงมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะขัดเขาแล้วก็พอสวดได้เป็นอะไรไปก็บ้าเบาๆาไม่ได้ว่าเสียงดังเหมือนนั่นเพราะว่าขนาดเราเราพูดกันอยู่เดีาดนี่นะกุชลาธรรมะกุศลาธรรมะเขาก็นั่งฟัง นี่ขนาดนี้ส่วนมนก็เหมือนกันก็ส่วนขนาดนี้ น, นี่พูดถึงเรื่องความลําบากเราเวลาเราอดอาหารนคนตายเข้ามาในมนลปฏิมาติกาอันนี้เราก็เห็นใจเขาดีสงสารเขาจะทําไงเขาไม่มีใค ร, รกินก็มีแต่เราแล้วเขาก็มันก็จําเป็นที่ต้องเขาก็ต้องเกาะแล้วเราก็ต้องให้ความอบอุ่นแก่เขาก็ต้องไปนไป ไปทำพระหนุ่นที่ว่าเจนจะจะถึงทำพระนะตีนเขาหนุ่นก็ไปเผาพักอยนั่งก่อนนานกลางวันโกลางคืนผมไปเดินยุงกรมอยู่นู่นไกลๆนู่นต้องไปหาที่โล่งนะหน้านี่หน้าใบไม้มันร่วงวต้องให้เขาทําทางยกรมให้ที่เตียนโล่งนูน่นไม่มีอะไรปกคลุมข้างบนเพราะกลางคืนมันมองเลยเห็นเห็นได้ชัด บางทีมีงูมามันก็เห็นไม่ต้องใส่ไม่ต้องจุดไฟนะใครจะเอาไฟไปที่ไหนไปเพียงพอล่ะเทียนขายก็ไปเพียงสองห่อก็พอแล้วพอได้ใช้เวลาจําเป็นฉะนั้นเราเดินยังกลมไม่มีทางจุดไฟไม่มีเลยเดินนี่ต้งองหัว่าค่ําจนกระทั่งสี่ทุ่มห้าทุ่มถึงจะมาที่พักร้านต่างๆต่อมาไหวพระอะไรเสร็จเรื่อแล้วเข้าที่สมาธิอีกจนเหนื่อยถึงจะ น, นอน แต่ผมพูดจริงๆนะปกตินิสัยผมผมไม่เคยนอนซ้ํำนะนอกจากทุกวันนี้อนุโลมมันจนกระทั่งมันแม่นจากนอนก็ยาให้นอนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะโกงค่านะแต่ก่อนผมระลึกไม่ได้เลยว่าผมได้นอนซ้ําอีกเนี่ยถ้าลงได้ตื่นนะภาพเท่านั้นแหละนี่เป็นนิสัยที่เราฝึกของเรามาแล้วตื่นก็เหมือนกับแม่เนื้อตื่นในพรานนี่นะ ถึงเลยทีเดียวตื่นแบบเห็นภัยจริงๆจนชินตอนนี้ใส่นี่ก็ดีพอตื่นก็ประกอบความเพียรเลยมันมีข้อหนึ่งที่เป็นข้ออ้างอันเป็นอัดทำดีนะเป็นหลักถ้านไม่อิ่มมันตื่นขึ้ น, นมาทําไม่นัมันมันต้องอิม่มมันถึงตื่นนอนอิ่มแล้วมันถึงตื่นอว่าว่าไม่ให้มันนอนอีกทีนี้ของที่แต่ความเพียรละทีนี้ถ้ามันจะลักษณะจงงังหวงก็ลงเดิน นี่เป็นประจำนี่ใส่บางคืนเดินอยู่นู้นในประชาเขานู้นบางทีก็ไปใส่ไฟให้เขาเขาคนตายแล้วก็ไปเผาแล้วก็ไปเดินนุ่มอยู่กับเขาก็ไปใสไฟให้เขาบางทีเขาเอาของไปไปเส้นคนตายเอาใส่ตากาะกร้าไปแขวนไว้ไปดูมีอะไรแล้วโวยตอนเช้าโยมไปเอามากินเลียบ เราเเป็นผีนกินเป็นเศษก็เงียบเลยเอาเรียบเลยนะวันนี้เดานะมันมีแต่ของดีๆวะเออนี่เรียว่ากรรมฐานแท้อเหมือนผ้าชีลิ้วมีอะไรกินได้สบายทั้งนั้นนู่นหัวใจมันอยู่กับธรรมนันไม่ได้อยู่กับของเหล่านี้นี่หละแถวนี้แหละผมไปคนเดีย ว, ค น, ยวคนเดียวนั่นจะ ม, มีแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหมดเท่านั้นเองที่เราอยู่มันมีแต่ป่าป่าป่าป่ า, ปาทั้งนั้น เดี๋ยวนี้เป็นน้ํามอดเลยตรงไหนที่มันราบเป็นนาตรงไหนที่มันเนินก็เป็นสวนเขาแค่นี้แหละอยู่ไม่ลืมนะเรื่องความเป็นมากก้างจะของที่หลานแม่เวลาทุกข์ทุ ก, ทกจริงๆนะทุกข์จนถึงกับจะเป็นจะไปจริงๆเหมือนบางอย่างบางครั้งเป็นอย่างนั้นเราะฉะนั้นสําคัญที่ใจมันไม่ถอ ย, อย่อันนี้อันสาคัญมากนะ พลังของใจไม่มีอ่อนตามเลยถ้าอ่อนตามก็แย่สิมันทําไม่ได้อะไรก็ตามถ้าลงจะกําลังใจไม่มีแต่นี่มันทําเลือกอํานาจของกําลังใจเหอย่างที่ว่านั่งหามลุงหามคั่มเหมือนกันมันเป็นพลังของใจเป็นก็เป็นตายก็าตาพลังของใจมันเหนือชีวิตเอาจากตายก็าตายไปสิหนักถ้าไม่ถึงเวยานั้นแล้วยังไงก็ไม่ออกหวัวขาดก็ไปออกหนักฟังสิตายก็าตายสิตรงนี้ เาจะยังไม่ถึงนู่นก็ยอมตายเฉยๆได้เเห็นทุกอย่างหนักเห็นทุกอย่างเต็มที่เมื่อทุกอย่างเต็มที่แล้วสติปัญญาขอมันหมุนอย่างเต็มที่มันก็เข้าถึงกันอ๋อคํออออามาทุกขเ์เขาไ่ได้จังเป็นอย่างนี้เองไม่ต้องถามใครอะไรทีอ๋อเป็นอย่างนี้เลยไม่เป็นภัยต่อใครท่านแต่เดียวเป็นของจริง่ะถ้ายังม่เป็นภัยนั้นนี่ยังไม่พิจารณาทุกข์สัตย์ หรืออริยสัจยังไม่รอบวางนี้เลยนั่นนี่ถ้าลงพิจารณารอบแล้วต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกระทบกันแหละว่านักมันเป็นจริงๆนี่ในหัวใจ ไ, ได้พิจารณาอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นจริงจริงนี่ น, นะไม่ใช่ไม่ใช่เราคาดกันเดียวตามตำหลักตำลานตำลาเราก็เรียนมาความใจในตำลามเป็นอีกแบบนึงบวชเวลาเป็นความจริงขึ้นมาในใจของเราแล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งแบบแบบที่ว่าแบบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ นี่เราก็ตอนทุกข์มากๆากะมันสติปัญญามันได้มันได้ออกรวดลายก็ตอนนั้นเม่งนั้นมันตายอี่ว่าไงจนรู้ได้จนกระทั่งถึงว่าอยาอยากให้มันหายนะนั่นฟังทีถ้าอยากให้มันหายแล้วอยากเขาเลยมันยิ่งทวีรุนแรงขึ้นนะทุกข์เน่านี้ไม่ดีทนไม่ไหวนะถ้าลงอยากแล้วหนะแต่เราไม่มีคําว่าจะทนไม่ไหวไม่มีมันทีมันก็มันก็อยากให้หายมันเห็นชัดอยู่นั่น เมื่อมันอยากหาอะไรมันยิ่งกําเริบรุนแรงขึ้นมาเหมือนเวลาเอาอยากให้อยากรู้ความจริงความอยากสองอย่างนี้มันผิดกันอยากให้หายมันเป็นสมุทยัยความอยากนี้เป็นเมอนือยากรู้ความจริงเท่านั้นนี่ยมันเป็นมัก น, นั่นความอยากทั้งสองอย่างมันไม่เหมือนกันเหมือนอย่างอยากพ้นทุกอย่างเนี้ยมันเป็นมกักอยากรู้ความจริงเนี่มันก็หมุนติ้วติ้วเข้าไปพอถึงขั้นมันจริงเต็มที่แล้ว ทุกศักดิ์แต่ว่าทุกเท่านั้นเองนะจำเป็นว่าอย่างอื่นมากกว่านั้นไม่ได้นะอืทุกสิ่งทุทกอย่างอาอะแล้วฉันมากกับเหมือนกันปัญญาก็เป็นความจริงอันหนึ่งศักดิ์แต่ว่าศักดิแต่ว่าแต่อันต่างอันต่างจริงทุกจริงคนไทยก็จริงนิโรดก็จริงมากกว่าจริงต่างอันต่างจริงแล้วไม่มีคําว่ากระทบกันนะ่น ไม่ได้ตำหนิกันว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นนี้ไม่มีทางตำหนิกันเลยเพราะมันไม่มีในหัวใจเอาอะไรมาตำหนิมันชัดอย่างนั้นนี่อ๋อท่านมัทธุท่านมัทธธรรมเอาสัตว์อริยสัตเป็นของจริงจริงอย่างนี้เองนั่นเวลามันมันมันทรงเข้ามันก็ทรงจนทุกข์มันทรงมันบางทีมันก็ดับไปหมดไม่มีเหลือมันเป็นสองอย่างผมไปพูดแต่ผมเองเป็นสองอย่างอย่างไรก็ตาม เมื่อมันสมมติว่าทุกข์มันยังมีอยู่ก็ตทำมันจะไม่เข้าไปถึงจิตได้เลยนะจึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงไะสิจิตก็จริงอันหนึ่งมันไม่เข้ามากระตุ้นกันไม่เข้ามาสัมผัสกันมันจะทุกข์อยู่ขนาดไหนถ้าถ้าเราจะพูดว่ายิ้มหน่อยิ้มได้สบายเพราะไม่ไม่มีอะไรเข้าไปกระตุ้นจิตได้นี่มันเหมือนกับมีกําแพงเจ็ดชั้นอยู่ในจิตจริงนีย่ยนี่ก็เป็นด้วยกําลังใจ ไม่ง้มันทำไม่ได้่ะกําลังใจนี่โหมเหมือนกับว่ากัดเพชรขาดจะบัน้นนะหรือว่ากัดเหล็กขาดกัดเพชรขาดกําลังใจสาเหตุมันก็มาตั้งแต่เรื่องความเฉียดแค้นในสมาธิเสื่อมมัเนานะสาเหตุมันเราก็รู้สาเหตุทุกจริงจริงหมดเวลา มันททั้งกายทั้งใจนี่ก็มีพรรษานั่นแหละผมผมเคยพูดนงอยู่เพื่อนฟังพรรษาที่สิบที่บ้านนามน์อันนั้นมันทุกทั้งสองอย่างเลยนะร่างกายก็ทุกเต็มที่ใจก็หมุนเต็มที่นะแต่แต่ไม่มมใช่ใจนี่เป็นทุกเพราะทุกบีบคั้นนะ คือมันหมุนตองมันทำงานต้องมันเต็มที่มันกระทุกอหุนกันการทํามาท้องกิดด้วยสติปัญญาด้วยความตั้งอกตั้งใจหมุนติ้วติ้วนันก็เป็นทุกข์อหุของมันเรียกว่ามันมันพร้อมกันทั้งสองอย่างมาถึงขั้นปัญญาที่ว่าปัญญาอัตโนมัตินี้มันอันนี้เลยพูดไม่ถูกนะแต่ว่าร่างกายไม่ไม่ไม่บอกช้ำก็ไม่ได้นะก็เดินยังกงมันจนมันลืมทิศลืมแดนจะว่าไง เดินต้องติด ง, งานเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงปัดป่วนมันจะไม่ทุกงานร่างกายแต่มันก็ไม่เป็นกังวล น, นะเพราะมจริงเหมือนกับว่ารายก็ไม่แต่ใจนั้นมันหนมันเหมือนอะไรธรรมจักนี่ใจนี่ทรา บ, ราบได้ทราบได้ชัดว่าทำงานเต็มที่คุณยังไงนะใจนี่ทำงานเต็มที่ร่างกายบางทีนอนอยู่ก็นอนแต่ใจมันทำงานอยู่ถึงขนาดที่ว่าไม่หลับ แต่ว่าร่างกายมันมันไม่ทุกมากนักก็ถูกเพราะเราไม่ได้ทนแบบไม่ได้ต่อสู้แบบทุกขเวทนาที่บ้านน้มนต์มันมันมีแต่ใจมันฟัดกันเดินโยกโอมมันก็เป็นไปด้วยความความเพลินไม่ใช่เป็นไปด้วยความทุกข์นะล้วเดินโยกโอมเนี่ยจนฝ่าเท้านี่ออกร้อนหมดเลยนะเหมือนกับไฟเนี่ยเหมือนกับไฟล้นเนี่ยนี่นนนฝ่าเท้า ต, ตอนเราเดินนั้นเราไม่ค่อยรู้นะรู้นะโบเวลาหยุดจากเดินโยกมแล้วถึงมันถึงรู้โอ้โหฝ่าเท้าออกร้อนหมดเลยมันก็ทําให้ระลึกย้อนหลังปั๊บที่ใ น, นอดีตอย่างท่านประกอบความเพียรอย่างพระโสดานท่านประกอบความเพียรจนฝ่าเท้าแตกนี่มันก็ทราบของมันเองนะไม่ต้องมีใครบอกแล้วแน่ใจด้วยว่าเป็นอย่างนั้นท่านเดินโยกมยังไงถึงขนาดที่ฝ่าเท้าแตกถ้าไม่เดินแบบเดียวกันนี่ น, นั่น คือแบบมันหมุนตลอดเวลาเนี่ยมันลืมทิศลืมแดนลืมมืดลืมแจ้งลืมเหนื่อยไปหมดพอจิตทํางานในขั้นนี้แล้วการเดินโยกมัก็ต้องเดินทั้มันเรื่อยไปนั่นฝ่าเท้าแตกได้พรอมีเครื่องพาให้พาให้เป็นพาให้ร่างกายหมุนตัวเดินกลับไปกลับมานี่ของเราไม่แตกมันก็พอเป็นประยานกันได้ว่ามันออกร้อนเหมือนไฟลนฝ่าเท้าหางไม่แตกนะ มันก็พอเป็นพยานกันได้เพราะมันเป็นเองนี่ความเพลี่ยนอันนี้มันหยุดเมื่อไหร่เดินกยมไม่ไม่มีล้เวลามีวล ะ, วละถ้าลงได้กล่าก็ประธานโย ม, มโอ้ยไม่มีเวลาเลยก็มันอยู่นี่ในหัวอกนี่หมุนติวติวติ ว, วตาก็มือดนะตาเรานี่ก็มืดคือเมื่อจิตมันไม่ออกแล้วตามันก็เหมือนมันมันก็ไม่มีความหมายแล้วเดินโยมไปเนี่ย ทางมันก็เดินเข้าป่าเนาะโคมข้างเขาป่าแยบหนึ่งอ๋อเข้าป่าออกมาเดินไปโคมค้าบถ้าเป็นคนนับมีคนไปเห็นเขาจะว่าผมเป็นบ้าไปเลยนั่นนะ่ะถึงขั้นมันขนาดนั้นนะนี่นามาพูดนห้เต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยหมู่เพื่อนฟังนี่แหละเรื่องปัญญาขั้นนี่เป็นยังน้นคนมาเห็นนี่เขาจะต้องว่าเราเป็นบ้า นั้นเดินกรมอยู่น้องเผื่อนี่ผมเดินผมไม่มีที่มุงที่บังนั่นเนี่ยทางไปมีสบัดบ้านอันในนะั่นจากวัดนองผือไปบ้านอันในนะั้ทางมันงงแนวมันน่าเดินกรมดีนั่นแหละเอาตรงนั้นแหละแดดโอยเปี้ยงเปี้ยงแล้ววะไม่ร้อนนี่ผ้าผ้าอ้ำน้ําพับครึ่งแล้วก็โปกสีสารมัดนึ่มาติดคางหนี่ ง, มงไม่ลืมนี่นะ มันเดินได้ตลอดเลยนะมันไม่รู้ว่าเรื่องเหงื่อแต้มันก็ไม่สนใจเพราะมันไม่ออกมาอยู่มันออกมาอยู่ในเพราะนั้นจึงว่าเดินอย่างกรมงว่าตาก็มืดมันไม่ลืมหรืลืมรู้มันไม่ออกมาเดินเข้าป่าโคมคามโคมคาสเวลายืนนี่กัหมูเป็นชัออ่วโมงยืนกําหนดพิจารณานี่ก็ับไป จะให้เดินอย่างเรี้ยวปกๆอย่างธรรมดาแล้วมันไม่ได้นะถ้าเดินแล้วโดนไม้ตายเลยอย่างนั้นแล้วก็เดินไปท า, ทางนี้มันอยู่อย่างนี้ของมันเดินมันเดินช้าๆไปโค้งค้างเข า, ข า, ขาป่านัา้นเดินไปแล้วโค้งค้างเข า, ขาป่านั้นเลยมันก็พอโค้งครางมันก็พอเป็นของมันอยู่น้ำท่าอะไรๆมันไม่สนใจนะ นูน่นบอเวลาออกมาจากที่จากทันกลมแล้วมองเห็นการน้ำด้วยโหเหมือนมันจะตายแล้วมันหิวน้ําด้วยเนี่ยลินน้ำจะนั่นแล้วก็กอกลงไปนี่อุ ก, กืนไม่ทันสำลักกักับกักมันจะตายอ๋อขนาดนี้จะเหลือวะนั่นแหละความเปลี่ยนถึงขั้นมันเป็นเองอันนี้หมายถึงความเปลี่ยนเป็นเองนะ หมเตี้ยวเต้วเตียยวนไรก็เป็นอยางไงอ่ะก็คืนนอนไม่กี่ชั่วโมงห ล, ลับไปนิดหน่อยพอตื่นภาพดีผึงเลยนะแต่มันส่วนมากมันได้บังคับนะจิตคันนี้มกักจะต้องบังคับให้นอนนะไม่บังคับมันไม่ยอมนอนจะวางไงถึงขนาดนั้นนะจึงว่าอุเธธจะมันเพลิน อุทะจรเราก็ไม่เข้าใจแต่ก่อนในสัมรลดเบื้องบนเราาอุทะจรความฟุ้งซ่านบางรายยังมาแปลว่าความฟุ้งซ่านนำคาญไปอีกไปใหญ่เลย น, นิวรณห้าอุทะจากุกุจจานันมันเป็นมันเป็นนิวรนมันมีทั่วทั่วไปในสามัญชนทั่วไป อุทจาจกูตานะอุทจจอันนั้นมันไม่ใช่มันนะอุทจา น, นั้นเป็นเป็นความเพลินความเพีย้ยนในสังกดหลงมันเพลินจนลืมพักผ่อนนอนหลับลืมพักผ่อนเข้าสมาธิอีนั่นไม่อยากเข้าสมาธิไม่อยากนอนมีแต่เพลินในความเพียนนั่นอุทจจเวลามันผ่านไปแล้วมันก็รู้เอง จังหวัดที่มันจะผ่านได้มันก็เป็นจังหวัดที่บบกพอดีของมันมันก็ผ่านของมันไปได้ถ้ามันเป็นอยู่อย่างนั้นมันก็ผ่านไม่ได้อีกเนี่ยเนี่ยมันไม่พอดีอย่างเดี้ยเป็นสังโยชน์คือเครื่องของอันหนึ่งเหมือนการแปลว่าสังโยชน์แปลว่าเครื่องข้องมันไม่เป็นกับใครมันก็มันพูดไม่ได้นะเพราะธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่จะมาด้นมาเดาได้ด้นม่ได้เด็ดขาดวางอันเลยถ้าไม่เป็นไม่รู้ถ้าเป็นแล้วไม่ถามใครก็รู้ว่า แน่ <Yeah. S 2> นี่จึงว่าเป็นอัตโนมตัติเป็นของตัวเองก็คือปัญญาขั้นนี้เป็นของตัวเองไม่ต้องขึ้นอยู่กับอะไรเลยแหละถึงขั้นมันเป็นตัวเองแล้วเป็นตัวของตัวแล้วเป็นไม่ขึ้นกับอะไรเรื่องความรวดเร็วของปัญญาขั้นนี้ก็เหมือนกันไม่เคยเห็นมันก็เห็นไม่เคยเป็ น, นก็เป็นจีว่าไงมันเป็นยังในหัวใจนั่นอะไรจะไปเร็วยิ่งกว่าปัญญาขั้นนี้ที่ฟา้าดกับพิเรนไม่งั้นมันไม่ทันกันเึงได้ทราบวันที้เดี๋ยมันแหลมคมละเอียดขนาดไหนว่างั้นได้เลย ถ้าไม่ใช่ปัญญาขั้นนี้แล้วมันไม่ทันกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วมันเป็นเองอะอันนี้กัอันนี้อันนี้กัเป็นเป็นเองนี่มันละเหนือกว่านั่นสินนั้นแย้มมาพับเลยนั่นมันเร็วขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นปัญญาเร็วถึงขั้นอันีหนือปัญญาประเภทนี้มันเร็วมันก็รู้ว่ากิเลสเร็วขนาดไหนได้เลยที่นี่เมื่อมันยันนี้ยังไม่ไม่ไม่เฉียบไม่แหลมไม่ไม่เร็วแล้วมันก็ไม่ทันกิเลสมันไม่รู้ว่ากิเลสเร็วสิพอนนี้เหนือแล้วมันก็รู้อิเเลมันรร็วจงๆ อันนี้ก็ทันมันทันด้วยวอัตรรพ์มาทั้งตัวเองมันเร็วด้วยมันคมกล้าด้วยขาดจะ บ, บ้านไปเลยมันอันนี้พูดไม่ได้หนึ่งที่ท่านอธิบายไว้ในตํารานัเนี่ยภาวนามญยาปัญญานั่นแล้วจะอธิบายอะไรได้อีกอย่างที่ผมพูดนี้ไม่มีนะในตาําราที่ว่าต้องเป็นของตัวเองอะไรนี่ต้องเป็นของตัวเองต้องรู้ในตัวเองไม่ขึ้นกับใครไม่ขึ้นกับอะไรวะเนี้ย เมื่อใครเป็นก็รู้เองถ้าไม่เป็นพูดไม่ได้แน่มันลํำบากนะถึงท่านภาวนาไมายปัญญาคือปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาว่างนันที่นี้เมื่อออกเป็นความแยบคายให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของธรรมชาติภาวนาไมยะปัญญาทีา่แล้วเป็นยังไงนั่นมันพูดไม่ได้ถ้าไม่เป็นแต่ถ้าเป็นไม่พูดมันก็รู้นี่สินี่แหละปัญญานี่เป็นปัญญาที่สังหารจิตเดชโดยตรงโดยตรงโดยตร ง, งเลย ก็สามารถที่จะยกขึ้นมาได้สิว่ารบริจาคค่ากิเลสสังหารกิเลสภาษาวกสังหารกิเลสด้วยปัญญาเพจนี่แหละว่างันเลยมันแน่นี่นั้นแน่ใจคือไม่ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับตัวเองเท่า น, านั้นน่ะถึงขั้นมันละเอียกกิเลสมันละเอียดจ่ิงจริงละเอียดที่สุดเลยธรรมดาเราไม่ทนันไม่รู้เลยเพราะว่าเราถึงพวกเราทั้งหลายต้งไม่รู้ที่มันเป็นยังไงมัน มันสวมรอยสวมรอยสวมรอยแล้วไม่ไม่รู้ไม่รู้หรนิเพราะเพราะยังไม่ทันมันนะสิพอทันแล้วเอามันจะสวมไหนวะว่างั้นเลยเนือท่านลงอันนี้ได้รวดเร็วที่ว่าเป็นภาวนามยปัญญาอย่างเกรียงไกถึงขั้นมหาสตรีมหาปัญญานั่นแหละถ้าล่ะปัญญาขั้นนี้เกรียงไกแล้ะเต็มที่แล้ว่มันเกิขึ้นเป็นมหาติีมหาปัญญาออกจากนี้ไปแล้วหนุมเต็มที่ไปไปถึงขั้นมหาติวมาปัญญานั่นหลักขั้นนั้นแล้วเอาวที่เร็วตัวไหนมันจะเร็วขนาดไหนวะว่างั้นเลยเอม อันนี้มันพร้อมแล้วพร้อมได้ตลอดเวลาเนี่จะเร็วหรือไม่เร็วก็ไม่ทราบมันพร้อมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยว่าไงพับฮับเลยนั่นมันเร็วกันนั่นนั่นไม่มีคำว่าบังคับจัดการนะบังคับได้อย่างไงมันเป็นอัตโนมัตินี่นั่นอันนี้ที่สําคัญมากมันไห้เห็นนี่ดูสิไอไอไเรื่องว่ากิเลสมันจะพังจะพังจะบันไหลนี่มันบอกในตัวเองเสร็จเลยอย่างที่เคยพูดแล้วว่าเหมือนกับเขาตีกราวัวหรือควายแต่ตัวตัว ตัวนั้นเบิ่อเบื่อนั้นเบื่อนั้นตัวไหนจะตายวันไหนวันไหนมันเหมือนเขาจะฆ่าวันไหนไหนมันเหมือนันบอกไว้เงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันหนึ่งที่เรียนมันจะพังเมื่อไหร่เมื่อไหร่เหมือนกับว่ามันบอกกันชัดๆด้วยความแน่ใจกับปัญญาประเภทนี้ทํางานในตัวเโดยธรรมชาติตัวเองแล้รวดเร็วที่สุดด้วยนั้นรวดเร็วนี่ก็พูดไม่ค่อยถูกนะว่ารวดเร็วอันนี้ก็ยมันอะไรยังว่าเมื่อมันเป็นแล้วมันก็รู้เอง ถ้ามันไม่เป็นเราพูดยังไงก็เห็นว่าแม้แต่มันเป็นอย่างที่ว่านี่มันเคยเป็นมันนําพูดเวลานํามาพูดนี่มันยังมันยังไม่เห็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่มันเป็นนี่ว่มันเหมนได้เป็นเพียงเงาๆออกมามันขาดสะ บ, บั้นทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วพูดไปถูแล้วค <c oughs> า, าดทั้งนั้นขาดพระพุทธเจ้าขาดพระอรหันต์จิตของท่านบริสุทธิ์ <c oughs> เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจิตพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็คาดเอาทั้งๆที่เล็กเด็กติดมันหลับตาคาดก็ได้ง่ายว่าทั้งที่หลับตาดูก็หลับตาดูมันจะไม่เห็นอะไรคนลืมตาต่างหากดูมันต้องจะเห็นถ้าไม่ใช่คนตาบอดถ้าคนตาบอดแล้วก็ลืมตามก็ไม่เห็นต้องเป็นคนตาดีแล้วลืมตาดูด้วยมันต้องเห็นอันนี้กิเลสเต็มหัวใจมันก็เท่ากับคนคนหลับตา หลับตาพูดเรื่องนิพพานหลับตาพูดเรื่องจิจตพระอรหันต์หลับตาพูดเรื่องอะไรจิตบริสุทธิ์มันหลับตาพูดพูดบันยังค่ํามันก็ไม่ได้เรื่องจะว่าไงพอจิตเป็นนั้นสัอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็เทือนไปหมดในแดนของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายจะเป็นกี่หมื่นกีลน่ล้านก็ตามเถอะก็เทือนถึงกันหมดทันทีเลยนั่นอันนั้นแล้วอันนี้จะมาพูดได้ยังไงว่าสิ มันนักเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแ่ะในหัวใจไม่ต้องไปคาดมันเป็นเต็มเต็มที่ของมันแต่เวลาเราเรานำมาพูดดีสีนี่นั่นหลักความจริงแท้แท้แบบนั้นเข้ากันได้ปัป๊บทันทีเลยอย่างที่ว่าพระพระพุทธเจ้าเป็นล้านล้านล้านพระองค์นัแล้วยัง เ, เขียนไว้ในสัมบุตธรธีอัตุรีสั้นจาน่ะผมเห็นอยู่นะอย่างนี้สิจะว่างไง เลยดึงเข้ามาตามความถนัดของตัวเองตามความชอบแจงตัวเองเนี่ยไม่ได้ยอมให้เป็นความจริงเอาไว้นี่นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู่ ด, ด้วยธรรมของจริงพระอราหันต์หรือพระพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เป็นเป็นธรรมชาติเป็นความจริงเป็นความจริงพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าสาวองค์พระยาแต่ละองค์องค์นึงเป็นความจริงเป็นหลักธรรมชาติเป็นความจริงแท้น่นเราไปดึ ง, งความจริงนั่นมาเป็นความถนัดใจของเรามันก็ขัดกันละสิอยกตัว อ, อย่างเช่น ว, ว่า สั้นบุเทอดีสั้จ่าดาสั้นจ่าสังเกตจนกระทั่งถึงสั้นบุเทนุบุตรัสเตอัตตาตัตจตาลีจตัสเกวิศิตตัสสาสร้างนามาสีสร้างเนี่ยคือที่นรกครับกะกะว่าพระเจ้าเท่านี้พระองค์ที่สองมาเท่านั้นพระองค์ที่สามมาเป็นลานเป็นล้านลานพระองค์แล้วที่เขาเขียนไว้เหมือนกับว่าเป็นฟุตโนตอะไรวข้างล่างว่าอันนี้มันมันเหลือจะกลืนหรืออะไรก็เขียนไว้ในหนังสือนั้นผมเห็น เหลือจะกลืนนกพูเจ้าเป็นล้านๆนี่มันเหลือจะเหลือเชื่อผู้ภาสานเหล่านั้นน่ะแต่เขาก็ไม่กล้าจะพูดถึงขนาดนั้นงั้นเหลือจะกลืนว่างั้นนี่ก็คือเขาเอาความถนัดใจของตัวเองไปไปไปไปว่าเอาสิอันนั้นเป็นความจริงนั่นน่ะคืนไม่กลืนไม่เป็นไรภัยก็มันเป็นความจริงอย่างนั้นนี่ใครจะกลืนไม่คืนไม่ได้เห็นขึ้นอยู่กับผู้ใดธรรมชาตินั้นไม่ใช่เป็นผู้น้อย ไม่ใช่เป็นน้อยต่อผู้ใดนี่นะพอที่ไปขึ้นกับน้นกับนี้ขึ้นกับความถนัดของคนเนีน่อย่างนี้เป็นต้นเออก็พระพุทธเจ้าองค์นี้มาตรัสรู้แล้วแล้วองค์ที่สองมาแล้วทมันไม่ไมองค์นั้น ม, น ม, น ม, นมนตาตรัสรู้อีกทําไมไม่เป็นสองล่ะแต่ควาเป็นองค์เดียวอ่ะพี่นาสิแล้วองค์นี้มาอีกจะเรียกว่าองค์เดียวได้หรอแต่ต้องเรียกว่าสองแล้วองค์นี้มาตรัสรู้ถัดกันไปนี่จะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าสามใช่ไหมแล้วยกตั้งเตินี่เรลอย่างคูบาอาจารย์ทั้งหลาย ในปัจจุบันนี้นะองค์นั้นได้บรรลุธรรมอยู่ที่นั่นที่นั่นอง์นี้บรรลุธรรมอยู่ที่นั่นนั่นมันไม่ไม่ใช่สองหรือนั่ะแล้วเมื่อมากกว่านั้นจะเป็นยังไงอีกเมื่อสามก็ต้องสามสี่ก็ต้องสี่สีเราจะมาว่าหนึ่งได้ยังไงถ้าเป็นสองไปจะจะเหลือเกินเหนือหรือถ้าเป็นสามไปจะเหลือเกินเหนือนั่นนะฟังที่เทียบเอาอย่างนี้่แหละที่เหลือเกินยังไงก็องคนี้บรรลุที่นั่นองคนั้นองค์นั้นไปบรรลุอยู่ที่นั่นเวลานั่นปีนั้นเดือนนั้นอะไรเนี้ยนั่นสองแล้วนั่นนะ เราเราจะเหลือกลืนเด้อฮึที่นาสิแล้วองค์นั้นองค์นั้นที่นั้นเป็นสี่เป็นห้าเข้าไปแล้วเหลือกลืนพระอราหันต์พันสองรอห้าสิองค์นั้เหลือกืนเด้อที่นาสิอย่างนี้ไอ้จิดเด่บันลงไข่ง่ายๆหว่าเออเราเอาความตัดใจเข้าไปว่าไปคืนเลยเือพราะพระุทธเจ้าเป็นหลักธรรมชาติเป็นความจริงพระสงฆ์สาวกอรหันต์รหานของพระพุทธเจ้าแต่ละพองค์เป็นความจริงทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับไข่เป็นขึ้นอยู่กับความจริงทั้งนั้นให้ฟาดตรงตาตร ง, ตงนเห็นสี้เห็้มันวิ่งถึงกันด้วยส ว่าไงืของไม่เป็นได้พระพุทธเจ้ามาสอนโลกได้ไงของเป็นีด้พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ได้ยังยไงเมื่อบริสุทธิ์ได้ผู้นีบ้บริสุทธิ์ได้พู้นั้นบริสุทธิ์ได้เพราะเป็นเป็นความจริงนี่ทําไมเป็นความจริงจะเป็นไม่ได้ป่ะองค์นี้จริงผู้ใดซึ่งถึงขั้นความจริงก็เป็นได้ด้วยกันอย่างพวกเรานั่งอยู่นี่เอาสิมันสําเร็จหมดในวัดนี้ผมคอยขออนุโมทนาหน่อยนะแต่มันนี่มันสำเร็จงแต่เสือแต่ห ม, น ม, ม อ, อ, อนันน่นทะี่มันน่าโมโหรือว่าหรือว่ามันสําเร็จไม่ได้หรือ มันจะเหลือกินน้นี่ก็ดีเพราะทานถึงเน้นนอนทั้งวันทั้งคืนไม่ตื่นเหลือฮะพวกนี้พกเหลือกลินนู้นี่ถ้าจะทำความเพียนมันเหลือเกินถ้าจะทำความเพียนมันเหลือกลินนะถ้านอนขอข้อทั้งวันจนจะไปปลูกมากินข้าวยู่ยาสงสัยว่าเราจะไปปลูกเลยมีต้อนฟาดกไปรว่าะดีมาดีก็กูศลาให้เลยว่านั่นเหนือมันเหลือเกินอันนั้นอันนั้นเหนือไม่เหลือเกินฮะพินายเลยนล้านล้านล้านว่าง ถ้านับมาเท่าไหร่ก็โลกนี้มีมาตั้งไหะพี่นาคีใครไปนับต้นของโลกของสมุดอันนี้มาเพราะพระพุทธเจ้าทํากับโลกนี้มาม า, มาด้วยกันอย่างไงตั้งแต่นานต่้งแต่ไรเมื่อองค์หนึ่งจัดจะรู้ได้แล้วองค์ที่สองทำไมไม่ได้องค์ที่สามทำไมไม่ได้เมื่ออริยสัจนี้เป็นของจริงแล้วทําไมผู้มาลูของจริงนี้จะรู้ไม่ได้หรือเมื่อพระพุทธเจ้ารู้ของจริงสาวกทั้งหลายรู้ของจริงตามพรพุทธเจ้าไม่ได้มีเหรอ เป็นผาสันได้ไ่างถ้ารู้ของจริงตามพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธเจ้าหูกขัดเฉพาะพระ อ, องค์หรืออริยสัจสีเนี่ยอริยสัจสีนี่เป็นธรรมชาติที่การกรองจิตให้บริสุทธิ์เอาฟาดลงไปตรงนี้สิให้มันเห็นนี่วะเออพอลงนี้แล้วยอมราบเลยอืแล้วนี่ใครจะว่าว่าบา้าบ้าเถอะเนะี่ยเราพร้อมที่จะเราจะเป็นบ้าแต่ตามคําพูดของเขาแต่ใจของเรามันไม่บ้านบ้ากับเจมันสิมันเป็นเรื่องของเราต่างหากนี่ก็ไม่ขึ้นอยู่กับใครอีกเหมือนกันนี่วะ ขึ้นมาแลกับลมปากของคนไปใหญ่หรอไม่ได้พูดวปใหญ่เลยเนืองมันคันฟันนี่นะ่ะเหลือเกืนนี่วะโถวว่ะเอาความถนัดเข้าไปคืนพระพุทธเจ้านี่นะให้มีองค์เดียวหรือไม่มีมีแต่เราคนเดียวนี่เหลือผู้ที่ถนัดนี่เหลือว่าไงถ้ามันเห็นของความจริงหรือหัวใจเนี่ยอะไรจะไปเหมือน อืมอิตตวิสัยโอ้โหอิตธิวิสัยขอให้มันผ่านนอกสมมติไปดล้วสิวะอะไรจะเป็นอจินไตยยิ่งกว่าจิตที่ผ่านนอกสมมติไปแล้วอ่ ะ, ะพ่อ